بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و ب الع ه ن ول ة س ت, ت ع ي ن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي ا ل ع ظ ي م سبحانك لا إ ل ا إ ل ي ي ا ما علمتنا إنك أنت ا ل علي م ل حكيم ربشرح ي لي صدري ويستر أمري وحنقده ل ل من لسان يفقه ي قولي أما بعد สสลาม ah uh. ุอะลัยกุมุรรหมะตุลลอฮ์ะบรักาตุอัลฮมดิลลาฮ์ซุมมอัลฮัมดิลลาฮ์ lah. ก่อนอื่นก็ต้องขอชอกรุต่อ Allah سبحانه และ ت ع นะครับที่พระองค์ Allah ห ب ح ا ن ه และให้เราได้มีชีวิตอยู่ในอีกวันหนึง่งให้เราได้ตื่นขึ้นมานะครับในฐานะของบ่าวผู้ศรัทธาต่อล l l a h س ب ح ละ تعالى อัลฮมดิลลาฮ์นะครับวันนี้ก็ เรามาเรียนรู้กันต่อในวิชาตับซีรจยุสอัมมานะครับจากหนังสือของเชคมูฮัมมัดบินซาเลห์อันอุธัยมีนรหิมะลลอฮตอลาวันนี้เราก็เรียนรู้กันจนถึงสุร้ออัตตะวีรนะครับ วันนี้เราจะมาเรียนกันในอายะที่สิบห้าถึงยี่สิบสองบิอนลาฮิตาอัลลถ้ากว่าอัลลอฮฺทรงตรัสลาทรงประสงค์นะครับวันนี้ก็ก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนนะครับก็มามาอ่านเอาบาระกะเอาความจําเริญจากอายะต่างๆของอัลกุรอานนะครับก่อนที่เราจะทําความเข้าใจแต่ดับบุตรถึงดํารัด บัญชาใช้ของอัลลอฮฺสุบฮานาตะอาลาซึ่งอันกุรอเนี่ยนะครับมีทั้งในเรื่องของอากิดะมีทั้งในเรื่องของชะริอะและก็มีทั้งในเรื่องของประวัติศาสตร์นั่นหมายความว่าอันกุรอเนี่ยมีถ้าหากว่าแบ่งออกเป็นสามส่วนนะครับก็จะมีสามเรื่องราวเหล่านี้เป็นเนื้อหาสำคัญ พากูรานั้นนะครับจะแบ่งออกเป็นเนื้อหาหลักๆอยู่3ส่วนเนี่ยนั่นคือเรื่องของอากีิดะนะครับแล้วก็เรื่องของชริอะบทบัญญัติอักีิดะความเชื่อแล้วก็เรื่องของบทบัญญัติอิสลามแล้วก็มาในเรื่องของประวัติศาสตร์ที่อัลลอฮ์สุฮาห์อัลต阿拉ได้พารณาเล่าถึงเหตุการณ์ของคนยุค ก, ก่อนที่เขาปฏิเสธอัลลอฮ์สุฮาห์อัลต阿拉แล้วบั่นปลายชีวิตของเขาเป็นอย่างไรแล้วก็ วิถีชีวิตของคนดีทั้งหลายที่อัลลอฮฺสุบะตาราพอพระไทยเขาเนี่ยเป็นอย่างไรให้ผู้ศรัทธาที่มาอ่านกุรานนะครับแล้วก็ไข้ครวนเนี่ยจะได้รู้ว่าวันนี้เราควรปฏิบัติตัวอย่างไรที่จะให้สอดคล้องกับคนเหล่านั้นนะครับคนที่อัลลอฮฺสุบะตาราพอพระไทยและเราจะต้องอ่านกุรานแล้วก็ไข้ครวนว่าวิถีชีวิตพฤ ต, ติกรรมแบบไหนนะครับที่อัลลอฮฺสุบฮานวฺตะอาลาเนี่ยส่ง โกรดกริ้วเขานะครับซึ่งเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺสุฮาตลาได้บัญญัติเอาไว้ได้ตรัสเอาไว้เพื่อที่จะให้ผู้ศรัท ธ, ธาที่ใขรครวนอันกุรอานเนี่ยนะครับได้ดำเนินรอยตามคนดีๆเหล่านั้นแล้วก็ออกห่างจากพฤติกรรมของคนที่อัลลอสุฮาตลาลงโทษพวกเขาและก็ได้เรียนรู้ถึงอักีนะหลักความเชื่อที่อัลลอฮุฮาตลาได้สั่งใช้เราว่าต้องเชื่อแบบนี้ นะครับจะต้องศรัท ธ, ธาแบบนี้ถึงจะถูกต้องแล้วก็หลักปฏิบัติต่างๆนะครับที่อัลลอฮ์สุลตาราได้ทรงตัดเอาไว้แล้วก็ผู้ที่มาขยายความผู้ที่มาทําการอธิบายอัลกุรอานดีที่สุดนะครับไม่มีใครจะดีกว่านี้อีกแล้วนั่นก็คือท่านอบีมมฮัมมัดสุลลัลละฮ์ละสัลลัมท่านอบีได้มาสอนเราถึงอะกิดะหลักความเชื่อที่เราสั่งใช้ในอัลกุรอานว่าเราจะต้องศรัท ธ, ธาอย่างไรบ้าง แล้วท่านนบีก็มาสอนเราอีกนะครับถึงหลักชาริอะบทบัญญัติต่างๆที่อัลลอฮสุตตาได้สั่งใช้ในอันกุรานนะครับในอันกุรานมีเพียงแค่ในเรื่องของอันอิจมารีนะครับก็คือพูดคร่าวๆสังเขปเอาไว้เช่นอัลลอฮสุตตาสั่งใช้ให้เราเนี่ยละหมาดดำรงซึ่งการละหมาดถือศีลอดทำฮัจญ์นะครับแล้วก็ใจ z a k ศ t แต่อักุรานไม่ได้บอก รายละเอียดทั้งหมดนะครับอย่างที่เราใจสกัดกันทุกวันนี้ละหมาดกันนะครับรุกวะสูยูดกล่าวอะไรต้องตาชาหุตรกรดิกนิ้วอะไรตอนไหนนะครับตักบีดมีตักบิดอย่างไรบ้างกี่อีริยาบถต่างๆเนี่ยเรานํามาจากคําสอนของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลสลัมนั่นก็คือที่เรียกว่าฮะดีสวจจะจนะแบบฉบับของท่านในาบีมุฮัมมัดสุลลัลสลัม ดังนั้นอันกุรานกับหะดีษจึงมีความสอดคล้องกันเกี่ยวข้องกันสัมพันธ์กันอย่างลึกซึง้งใครก็ตามที่ปฏิเสธฮะดิษเท่ากับเขานั้นปฏิเสธอันกุรานพอลอสุตลาสั่งใช้ให้เรานั้นนะครับปฏิบัติตามแนวทางของท่านนาบี ม, มาหามะสอลลลอฮฺของอะเลวะซัลลัมมันมีกลุ่มชนหนึ่งที่เรียกว่ากุรานนี่ยูนนะครับที่เขาจะยึดเพียงแค่อันกุรานอย่างเดียวนะครับแล้วก็ไม่ ปฏิบัติตามอัะดีสเพราะมีความตะขิดตะขวงในใจว่าฮะดิสเนี่ยมันมีทั้งฮะดิสซะฮีฮะดฮซันะดดอะดมาดัววันนี้พวกเรานะครับอยากแ ย, ยะไม่ได้วันนี้พวกเรานะครับเอาของชัวชัวชัดไว้อย่างเดียวพอซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดพลาดเพราะอ AH ัลลอฮฺทรงประทาทรงพิทัก์รักษาวาฮีทั้งสองนะครับเรียกว่าวาฮี ที่มาจากอันกุรอานและก็วาฮีที่มาจากฮะดิษนั้นล้วนแล้วแต่เป็นวาฮีทั้งหมดนะครับเป็นคำวิวร์ดำรังใช้จากอัลลอฮ์สุฮาห์ตาลาทั้งสิ้สนนั่นหมายความว่าอัลลอฮ์สุฮาห์ตาจะปกป้องถึงแม้ว่าวันนี้จะมีฮะดีษดอยฟ์ะดิษมาดดวก็มีนักวิชาการบรรดาอุลามะเนี่ยนักอัลฮุฮะดิษทั้งหลายที่มาคัดกรองนะครับแยกแยะให้ทั้งหมดว่านี่คือฮะดิษซาเฮนี่คือหะดิษดอยฟนี่คือฮะดิษฮะซันนี่คือฮะดิษมาดดนะครับนี่คือหนึ วิธีการปกปักรักษาวัจนะหรือว่าวาเฮเล็กจากอลอสุมฮาลตลานะครับดังนั้นเมื่อเราอ่านอัลกุรอานแล้วเนี่ยเราก็ต้องทําความเข้าใจนะครับแต่ บ, บุท ถ, ถึงเนื้อหาถึงความหมายต่างๆเราจะได้ลึกซึ้งกับดํารัสของลอสุมฮาลตลามากยิ่งขึ้นและการไข้ครวรนั้นนะครับเป็นบัญชาใช้ของลอสุมฮาลตลาเช่นเดียวกันนะครับวันนี้เราอาจจะอ่านกุรอาน เราอาจจะไม่สามารถที่จะเข้าผใจภาษาอาหรับได้ด้วยกับด้วยกับความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยแต่ก็ยังพอมีตัวช่วยในการที่เราจะเข้าใจนะครับความหมายของอัลกุรอานได้นั่นก็คือตัฟซีตกุรอานแปลไทยตอนนี้นะครับมีเอ่อคนแปลหนังสือตัฟซีตอิมนุกซีนะครับอยู่สี่เล่มถ้าพี่น้องมีความสามารถที่จะซื้อไว้ได้นะครับก็ควรที่จะซื้อเอาไว้เพราะว่า อย่างน้อยมันก็เป็นตับซีดที่ด่งดังนะครับแล้วก็อ้างอิงถึงกุรานและก็ฮะดีสมาที่บายความซึ่งฮะดีซึ่งการตับซีดแ่มันมีหลายรูปแบบนะครับตัซีดทับซีดด้วยกับคำพูดของสหายบัตับซีดด้วยกับสุนนะของท่านอบบีตับซีดด้วยกับเราะนะครับด้วยกับองค์ความรู้ต่างๆมานำมาตับซีด ตัฟซีที่ดีที่สุดนั้นก็คือตัฟซีบินมะซูดนะครับตัฟซีด้วยกับตัวบทหลักฐานอันกุรอานด้วยกับอันกุรอานกุรอานด้วยกับฮะดีษนะครับด้วยกับสุนนะของท่านนบีซึ่งฮะดีษหนังสืออิบนุกซีดเนี่ยเป็นตัฟซีบินมะซูดนะครับตัฟซีด้วยกับตัวบทหลักฐานตัฟซีด้วยกับสุนนะนบีแล้วก็มีนักวิชาการตัฟซีมากมายที่มาสนับสนุนอธิบายนะครับในหนังสือเล่มนี้ ซึ่งก็มีคนแปลเป็นภาษาไทยแล้วอยู่สี่เล่มนะครับถ้าใครมีความสามารถที่จะซื้อติดบ้านได้เนี่ยก็ให้มีไว้นะครับอ่านเพื่อทำความเข้าใจแต่ดับรถถึงอัลกุรอานนะครับวันนี้เราก็มาอ่านอัลกุรอาน ก, ก่อนที่จะเข้าไปสู่การอธิบายนะครับโดยเชยคุสเอมีนอมมมมมัลลอฮ์มากุลลาตอลลานะครับอาวุบบิลลาฮิมินัชยปนิรจีม فلا أقسم بنخُنّس أن جواركُنّس والليل إذا ع, ع س ْ ع والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ز ي ق قوة عند ذن أرشمكين มุต اع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق مبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون อินหัวอิ ل ลาดิกร م ่นลิลกาเลมีนลิมาชาอ์น م ์์์์์์َ์์์์์์ ا ์์์ ل ์َ์์์์์์์์์์์์์์์อ์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์่์ เฟลาโอโกซิโมบิลคุนัสนะครับขอสาบานต่อดวงดาวที่มันซ่อนตัวในเวลากลางวันเป็นหนึ่งคำสาบานของอัลลอฮฺสุบฮานุตาลานะครับที่อัลลอฮฺสุบฮานุตาลาได้หยิบยกขึ้นมาทําการสาบานการสาบานเนี่ยนะครับเป็นเรื่องใหญ่มากในอิสลามซึ่งมันเป็นเรื่องของอาคิดะมันเป็นเรื่องของหลักศรัทธานหนึ่งด้วยนะครับ ที่อัลลอฮฺสุลตาราได้หยิบยกสิ่งเหล่านี้มาสาบานเราจะเห็นได้ว่าอ <people> er ัลลอฮฺสุลตาราเมื่อพองคจะหยิบยกสิ่งใดก็ตามมาสาบานเนี่ยมันจะเป็นสิ่งถูกสร้างของอัลลอฮฺสุลตาราทั้งสิ้นนั่นหมายความว่าพระเจ้าผู้ครอบครองผู้เป็นเจ้าของนะครับในทุกสรรพสิ่งเนี่ยพระองค์จะทรงหยิบยกอะไรมาสาบานก็ได้เพราะมันเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺสุฮาห์ต阿拉มันเป็นสิ่งถูกสร้างของพระองค์แต่ผู้ศรัทธาอย่างพวกเราเนี่ยนะครับเป็นบ่าวของอัลลอฮฺสุฮาห์ตลา ไม่อนุญาตเป็นอังคาที่เราจะทําการสาบานด้วยกับสิ่งถูกสร้างนะครับเพราะว่าท่านอับดุลเบี๋ยมซุลตานบอกว่าใครก็ตามที่จะสาบานนั้นเขาจะต้องสาบานกับอัลลอฮฺสุตลตาราเท่านั้นไม่อนุญาตให้สาบานกับสิ่งถูกสร้างนะครับเพราะการสาบานกับสิ่งถูกสร้างด้วยกันเนี่ยหมายถึงการยกสถานะว่าสิ่งนั้นนะครับมีเดชานุภาพมีอํานาจเราถึงนําสิ่งนั้นมาสาบานดัง น, นั้น สิ่งที่มีเดชานุภาพผู้ที่มีอำนาจที่สุดของผู้ศรัทธาคืออัลลอฮฺซุนฮฺฮะตาลาเมื่อจะทาาาําการสาบานต้องทําการสาบานต่ออัลลอฮฺซุนฮฺฮะตาลาเท่านั้นแต่การที่อัลลอฮานําสิ่งเหล่านี้มาสาบานอ่ะมันเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างอัลลอฮ์จะหยิบยกสิ่งใดมาสาบานก็เป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์แต่นักวิชาการบอกว่าให้เราเนี่ยนะครับตระหนักเลยว่าสิ่งใดก็ตามแต่ที่อัลลอฮฺซุนฮฺฮะตาลาได้ทําการ ยิบยกมาสาบา a เนี่ยนั่นบ่งบอกถึงว่าสิ่งนั้นมันมีคุณค่ามันมีความสําคัญนะครับอย่างยิ่งยวดมันมีประโยชน์นะครับแล้วก็มันเป็นสิ่งที่มีความยิ่งใหญ่มากนะครับณนะที่อัลลอฮฺสุบฮานุตาละอัลลอฮฺสุบฮานุตาละจึงยิบยกสิ่งเหล่านั้นให้เราได้ตระหนักถึงนะครับคุณประโยชน์ของมันแล้วก็ความยิ่งใหญ่ของมันนะครับ ลัลสตารงตัดว่าฟาลาโอคซุมซิโมบินคุนนัสนะครับขอสาบานต่อดวงดาวที่ซ่อนตัวในเวลากลางวันตรงนี้เนี่ยนะครับฟาลาเริ่มต้นด้วยฟาลานะครับฟาตัวนี้นะฟาอิสตินาแปลว่าฟาที่ใช้เริ่มต้นประโยคนะครับมันไม่มีความหมายอะไรในภาษาอับเนี่ยฟาหรือว่าวาวนะครับสามารถที่จะกล่าวนาขึ้นต้นประโยคได้ฟา แล้วก็ลาลาตัวนี้นะครับหลายๆคนมีความเข้าใจว่าเชคุัยซมินบอกว่าก็ยัุนนุบัดุนาสบางคนนะมีความเข้าใจว่าลาตัวนี้คือลานาฟิยาแปลว่าปฏิเสธนะครับฟาลาอุกซิมุบินคุนัสทัแปลตัวนี้ว่าลาปฏิเสธลาตัวนี้ละนะครับปฏิเสธจะแปลว่าข้าจะไม่สาบานด้วยกับดวงดาวที่มันซ่อนตัวในเวลากลางวัน แต่จริงๆแล้วไม่ใช่ลาตัวนี้นะครับเป็นลามุสบัตฮิลกอสัมเป็นลาที่ในประโยคภาษาหลับลาตัวเนี้ยจะเป็นถ้าหาว่าเขาพูดขึ้นมาเริ่มต้นประโยคนะครับหรือว่าใช้กับคําสาบานนะี้จะแปลว่าการยืนยันอย่างเน้นหนักนะครับการยืนยันอย่างเน้นหนักอันนี้เป็นประโยคภาษาหลับเลยนะครับลาตัวนี้จะใช้ในการยืนยันอย่างเน้นหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งประโยคที่ต้องการที่จะพูดถึงนะครับเนื้อหา ที่ต้องการจะยืนยันเช่นการสาบานถ้าหากว่าลาตัวนี้ขึ้นหน้าการสาบานแสดงว่ายิ่งเป็นการเน้นหนักนะครับถึงประโยคนั้นๆอัลลอฮฺสุตาะทรงตัดลาตัวนี้ไว้ในประโยคของคำสาบานว่าฟาลาอุกซิมุบินคุนนัสข้าขอสาบานด้วยกับดวงดาวที่ซ่อนตัวในเวลากลางวันนะครับดวงดาวที่ซ่อนตัวในเวลากลางวันมาอนะ อุกซิมูบินขุนัสก็คือม่านาของมันก็คืออุกซิมูบินคุนัสฆ่าขอสาบานด้วยกับดวงดาวที่ซ่อนตัวในเวลากลางวันนั่นก็คือดวงดาวเนี่ยนะครับอัลลอฮฺสุตลตาราได้สร้างขึ้นมามันมีทั้งดาวเคราะห์ดาวเลิกดาวที่มีแสงในตัวเองดาวที่ไม่มีแสงในตัวเองต้องใช้แสงของดวงอาทิตย์ และดวงดาวบนโลกใบนี้บนกาแล็กซีนี้บนสุริยะจักรวาลนี้นะครับระบบสุริยะจักรวาลนี้เนี่ยที่เรามองเห็นด้วยกับตาเปล่าและไม่ได้เห็นอีกมากมายมหาศาลมันมีมันเป็นสิ่งถูกสร้างที่ยิ่งใหญ่มากที่อเล็กซ์สมหัตต์ลาได้สร้างมันและไม่มีใครรู้เลยนะครับข้อมูลที่แท้จริงข้อมูลที่แท้จริงของมันว่ามันมีกี่กาแล็กซีกันแน่มันมีกี่ดวงดาวกันแน่และดวงดาวที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบเนี่ยนะครับที่บอกว่าระบบสุริยะจักรวาลของเราเนี่ย มันมีเพียงแค่ที่สามารถจะค้นพบได้นะครับและก็ไม่มีใครสามารถรู้ถึงข้อมูลที่แท้จริงของมันว่ามันเป็นอย่างไรบนนั้นมีสิ่งมีชีวิตหรืออยู่หรือไม่หรืออย่างไรนะครับวันนี้ทุกคนต่างแสวงหาความรู้กันว่าจะย้ายนะครับตัวเองไปอยู่บนดวงดาวดวงดวงจันทร์บ้างไปอยู่บนดาวอังคารบ้างไปอยู่บนดาวดวงนั้นดวงนี้บ้างนะครับอยากจะย้ายออกจากโลกใบนี้นะครับ ทำโครงการนาซาได้ทําการนะครับตรวจนะครับดูว่าบนดวงจันทร์เนี่ยมันมีสิ่งมีชีวิตอยู่หรือไม่มันสามารถที่จะย้ายห ล, ลักแหล่งนะครับเอามนุษย์ไปอยู่บนนั้นได้หรือไม่พยายามที่จะแสวงหากันแต่ไม่มีใครรู้ข้อมูลที่แท้จริงทั้งหมดได้นอกจากอเลสซานดลามันเป็นสิ่งถูกสร้างที่ยิ่งใหญ่ดวงดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์นะครับระบบสุริยะจั ก, กรวาลที่เราเห็นเนี่ยมันเป็น สิ่งถูกสร้างที่อัลลอฮฺสุตตาละได้สร้างขึ้นมาและผู้สร้างจะต้องยิ่งใหญ่ขนาดไหนถึงสร้างดวงดาวระบบสุรยิยะจกกักรวาลกล็กซี่นะครับที่ยิ่งยิ่งใหญ่ขนาดนั้นได้อัลลอฮฺสุตตาร์นำสิ่งเหล่านี้มาสาบานให้มนุษย์รู้ว่านะครับอัลลอฮฺสุตตาละได้สร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาด้วยกับความง่ายใดด้วยกับเดชานุภาพ ข, ของลอสุภาโนตาลานะครับแล้วเป็นเรื่องง่ายเหลือเกินที่อัลลอฮฺสุตตาร์จะสร้างมนุษย์ขึ้นมา ดวงดาวดวงจันทร์ดาวเคราะห์ดาวเลือกดาวหางนะครับอะไรต่างๆนานามันยังยิ่งใหญ่กว่ามนุษย์สักหนึ่งคนด้วยซ้ำที่เอารสสร้างขึ้นมานะครับแล้วลัทธิราคให้มาลไลกาไปดูแลดังนั้นการสร้างมนุษย์จึงเป็นเรื่องง่ายการฟื้นคืนชีพมนุษย์ขึ้นมาสักคนหนึ่งจึงเป็นเรื่องง่ายสำหรับเอาร์สุหังตลาลาดเหลือเกินฟาราอโกซิมบุลคุนนัสอันเจาวารินกุนนัสนะครับคุนนัสกับคุนนัสเนี่ยนักวิชาการ ให้คาอธิบายว่านะครับคุณนัสแปลว่าการโคจรของดวงดาวทั้งหลายนะครับแล้วก็อันจาวาร์จาวาร์เนี่ยก็คือมีการโคจรและมันก็รับสายตาไปในช่วงกลางวันนะครับกลางคืนมันก็ปรากฏขึ้นมาคุณนัสแล้วก็จาวาร์เนคุนนัสมันก็มีการโคจรอยู่ของมันอยู่ตลอดเวลาแต่ตัวของมันนั้นอาจจะปรากฏให้เห็น นะครับในแค่ช่วงกลางคืนดาวที่มันต้องนะครับใช้แสงของดวงอาทิตย์ไม่สามารถมีแสงของตัวเองได้นะครับมันก็ปรากฏตัวหลังจากที่ดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าไปนะครับดวงดาวก็ปรากฏตัวขึ้นมาดวงจันทร์ก็ปรากฏนะครับให้เห็นชัดแต่ตอนกลางวันที่ดวงอาทิตย์มันโผล่ขึ้นมานะครับมันก็ตะรีบนะครับมันก็จะหายไปมันก็จะวารินกุนัสนะครับมันก็โคจรรับ ขอบฟ้าไปเหมือนกับมันโคจรรับขอบฟ้าไปจริงๆแล้วมันไม่ได้รับขอบฟ้าไปไหนนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะสู้แสงของดวงอาทิตย์ได้มันนะครับแสงของดวงอาทิตย์ในตอนกลางวันนั้นสว่างจ้าจนกระทั่งว่าไม่สามารถที่จะเห็นดวงดาวบนท้องฟ้าได้นะจริง ๆ, ๆแล้วมันก็อยู่วยวิถีโคจรของมันเหมือนเดิมอัลลอฮฺสร้างให้มันอยู่ในวิถีโคจรของมันอย่างเป็นระบบระเบียบนะครับแต่สิ่งเหล่านี้ มันทำให้เรารู้ถึงความเดชานุภาพของเราสมัติลาถึงสิ่งถูกสร้างอันยิ่งใหญ่นับถึงสิ่งถูกสร้างที่มันมีการมาและมันก็มีการจากไปนะครับทั้งหมดทั้งปวงนั้นล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่มีอาญสิ่งที่มีกาหนดวาระของมันถ้าหากว่าเราพิจารณาดูแล้วนะครับเราจะเห็นได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่สร้างมาถึงแม้ว่ามันจะยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ตามมันก็มีนะครับเวลาของมัน โลกใบนี้ก็มีเวลาของมันดวงอาทิตย์ก็มีเวลาที่มันจะโผล่ขึ้นมาและมันก็มีเวลาที่รับขอฟ้าไปดวงจันทร์ก็มีเวลาที่จะโผล่ขึ้นมาและมันก็หายไปนะครับดวงดาวก็เช่นเดียวกันทําให้เรารู้ว่ามนุษย์เรามีชีวิตมีกําหนดวาระ่งความตายเราก็ต้องเตรียมตัวตายนะครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นล้วนแล้วแต่มีกํำหนดของมันมีกําหนดวาระของมันนะครับอัลลอฮฺสุบฮานาอุต阿าได้ทรงตัดเอาไว้นะครับอีกว่า วันไลท์ที h e ีสานัสนะครับแล้วก็ขอสาบานหลังจากที่อเลสซานดาร์ได้พูดถึงการมาของกลางวันดวงดาวที่หลบซ่อนในช่วงกลางคืนนะครับแล้วก็ดวงดาวที่มันปรากฏดวงดาวที่หลบซ่อนในช่วงกลางวันแล้วก็ดวงดาวที่ปรากฏในช่วงกลางคืนเนี่ยนะครับมันก็ยังดำเนินอยู่บนวิถีของมันบนวิถีโคจรของมันนะครับ แล้วลัทธตารก็ได้นำช่วงกลางคืนและกลางวันมาสาบานอีกนะครับว่าไลลิอิตอัสอัสขอสาบานด้วยกับกลางคืนที่มันเหืดหายไปที่มันหายไปนะครับหรือว่าที่มันกำลังจะมาเชอุสเซมีนให้น้ำหนักว่าคาว่าอัสอัสตรงนี้นะแปลว่ากลางวันที่มันจะมานะครับกลางวันที่กลางคืนที่มันได้คืบคานมา มันซึ่งในภาษารับบเนออัสอัสเนี่ยมันมีความหมายได้ทั้งสองกรณีว่าอักบาลหรืออัดดบรอนะครับ mm hmm. ถ้าหากว่าดูพิจารณาจากนะครับในตัวประโยคสำนวนแล้วว่าไลลีอิละอิอัสอัสและขอสาบานด้วยกลางคืนนะครับบางทัศนะก็ให้ความหมายว่าอิดาอัดดบรอกลางคืนที่มันไปวสซุบให้อิดาตันัฟัสและกลางวันที่มันกลังจะมา mm hmm. นะครับแต่เชคอุไซมีนบอกว่า ตรงนี้ถ้าจะให้พูดถึงความยิ่งใหญ่นะครับถึงความหมายที่ลึกซึ้งแล้วเนี่ยตรงนี้ควรที่จะให้ความหมายว่าขอสาบานด้วยกับกลางคืนที่มันกำลังคืบคานมานะครับเพราะว่ากลางคืนที่มันคืบคานมาเนี่ยนับแสงของดวงอาทิตย์ที่มันหายไปกับกลางคืนมาก็มีการปรากฏของดวงดาวซึ่งมันจะได้สอดคล้องกับนะครับอายะก่อนหน้านี้ที่พูดถึงดวงดาวที่มันหายไปในตอนกลางวัน และก็มันปรากฏขึ้นในกลางคืนเมื่อกลางคืนได้มาได้คืบคานมาอัลลอฮฺสุลต่านจึงได้นะครับเอายามค่ำคืนนั้นนะครับมาสาบานพูดถึงยามค่ำคืนมันเป็นสิ่งถูกสร้างของลอสตามันมีความเกี่ยวข้องกับดวงจันนะครับแล้วก็ดวงอาทิต์ซึ่งทั้งสองสิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งที่มนุษย์เนี่ยเห็นด้วยกับตานะครับ แล้วก็เห็นมานานจนกระทั่งมนุษย์เนี่ยหลลืมถึงความยิ่งใหญ่ของมันถึงผู้สร้างที่ยิ่งใหญ่ของมันอัลลอฮฺซุลม่าตาลาจึงมาย้ําเตือนนะครับถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ยามค่ําคืนถึงกลางวันที่เราได้รับประโยชน์จากมันทําไมต้องมีกลางคืนทําไ ม, ามาต้องมีกลางวันทําไมอัลลอฮฺซุลม่าตาลาไม่สร้างยีิบสี่ชั่วโมงให้เป็นกลางวันทั้งหมดทำไมอัลลอฮฺซุลม่าตาลาไม่สร้างให้ยีิบสี่ชั่วโมงเป็นกลางคืนทั้งหมดนะครับล้วนแล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีฮห้มา มีวิทยาปัญญามีเหตุผลในการสร้างของลอสุมฮาตาลาได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับโดยที่มนุษย์ถ้าว่ามนุษย์เนี่ยเอาใจใส่แต่ดับบดให้ควรกับกุรอานเนี่ยเราจะได้รับความรู้อันมากมายมหาศาลเพราะความรู้ทั้งหมดนั้นล้วนแล้วแต่มาจากอันกุรอานนะครับอัลลอฮฺสุมฮาตาลาได้ทรง ต, ตรัสว่าวะไลลิอีดอัสอสสัลลอฮฺประศาบานนะครับตั้งแต่อายะที่ผมพูดมาอายะที่15เป็นต้นมาเนี่ยพูดถึงแต่ คำสาบานอาลัลลอฮฺสุตลตาราต้องการให้บ่าวเนี่ยฉุกคิดว่าทําไมอลัลลอฮฺจึงเอาสิ่งเหล่านี้มาสาบานนะครับเพราะว่าอัลลอฮฺสุตลตานั้นการที่เราจะรู้จักอลัลลอฮฺสุลตาลาได้เนี่ยนะครับในหลักอักีดะของเรามีอยู่ข้อหนึ่งก็คือการที่เราเรียนอักีดะนะครับมันจะมีคําถามคําถามเกี่ยวกับเรื่องอักีดะอยู่ข้อหนึ่งว่าไกฟะนาริฟุรบานะอัซซาบัจใช่ไหมครับเป็นคําถามพื้นฐานเบสิกมากว่า เราจะรู้จักอัลลอฮ์สุบฮานตะลาได้อย่างไรนะครับคำถามเนี่ยพี่นอ้องมีคําตอบไหมเราจะรู้จักอัลลอฮ์ได้อย่างไรนะครับในเมื่ออัลลอฮ์สุบฮานตะลาไม่ให้เราได้เห็นพระองค์ในโลกใบนี้ในเมื่ออัลลอฮ์สุบฮานอตา阿拉ยังไม่ให้เราได้เห็นอัลลอฮ์ในโลกดุนยานี้เราจะได้เห็นอัลลอฮ์สุบฮานตะลาในวันอาคีรอเนี่ยเราจะรู้จักอัลลอฮ์สุบฮานตะลาได้อย่างไรนะครับคําตอบก็คือนาอิฟู เราบนาอั z ลอวจะจันไบอายติห์และไบ ع ل ا าติซุบฮานฺฮวต้าอลาการที่เราได้รู้จกักอัลลอ์เนี่ยก็คือรู้จักผ่านอายะต่างๆสัญญาณต่างๆสิ่งถูกสร้างต่า ง, างนะครับที่มันบ่งบอกถึงคุณลักษณะของผู้สร้างว่าผู้สร้างนั้นยิ่งใหญ่ขนาดไหนถ้าอัลลอฮสุตลาสร้างดวงอาทิตย์ได้ไม่มีมนุษย์หน้าไหนไม่มีนักวิทยาศาสตร์คนไหนนะครับ และดังนั้นเนี่ยใครเป็นผู้สร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมามีดวงอาทิตย์ก็จะต้องมีระบบสุริยะจักรวาลมีดาวพุธดาวศุกร์มีโลกมีดาวอังคารดาวพฤหัสนะครับดาวเสาดาวอะไรต่างๆนาน า, นานในระบบสุริยะจักรวาลของเราเนี่ยที่มันเรียงรายนะครับอยู่ถ้าหากว่าเราไปดูนะครับในรูปในกราฟที่บรรดาบรรดาผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องของดาราศาสตร์ได้วางนะครับ รูปภาพเอาไว้เกี่ยวกับระบบสุริยะจักรวาลของโลกใบนี้นะครับมีการโคโจรมีการหมุนเวียนนะครับยีบสี่ชั่วโมง360วัน35วันเนี่ยนะครับอะไรหมุนโคโจรไปไหนมาไหนบ้างเนะี่ยเราจะเห็นได้ว่านะครับแต่ละจุดของดวงดาวเนะี่ยมันมีระยะห่างของมันนะครับที่เหมาะสมจากดวงอาทิตย์การที่ดาวพุธเนี่ยนะครับเล็กสุดที่ไปอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดเนี่ยมันร้อนแรงที่สุด พื้นผิวของดาวพุธก็เป็นพื้นผิวที่นะครับไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่ได้แน่นอ น, นเพราะมันอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดแต่โลกของเราเนี่ยนะครับอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ในระยะที่เหมาะสมมากนะครับในระยะที่เหมาะสมจนกระทั่งว่าได้รับแสงแดดจากดวงอาทิตย์ที่พอเหมาะพอดีถ้าห่างออกจากไปไปกว่านี้อีกเนี่ยนะครับมันก็จะนะครับเย็นยืเยือกจนกระทั่งกลายเป็นจุดเยือกแข็ง ไม่สามารถมีสิ่งมีชีวิตอยู่ได้มนุษย์ไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ใกล้กว่านี้มนุษย์ก็ไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ก็คงจะร้อนตายกันหมดแต่อัลลอฮฺสุลตาราได้วางนะครับระบบเหล่านี้อย่างเป็นระบบระเบียบถามว่าใครเป็นผู้วางระบบถ้าไม่ใช่อลัลลอฮฺซุลฮานุตาลาให้ไม่ใช่ผู้สร้างที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่พระเจ้าผู้สร้างผู้ยิ่งใหญ่ดังนั้นนะครับการที่เราได้พิจารณาถึงสิ่งถูกสร้างที่อยู่รอบตัวเรากลางวันกลางคืน ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์อะไรต่างๆนานาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเรามีผู้สร้างเรามีพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่อยู่นะครับพอมนุษย์ไม่สามารถสร้างได้จนกระทั่งว่าผู้ที่ไม่ศรัทธาต่อลอสุนตลาผู้ที่ไม่รู้จักรลอสุตนตลาเนี่ยเมื่อไม่รู้ว่าใครเป็นผู้สร้างก็จะอ้างไปสู่คําว่าธรรมชาตินะครับแต่อิสลามพูดอย่างนั้นไม่ได้มุสลิมพูดแบบนั้นไม่ได้นะครับถ้ามุสลิมบอกว่า ธรรมชาติเป็นผู้สร้างและไม่ย้อนกลับไปหาผู้สร้างที่แท้จริง น, น, นะครับมีความเสี่ยงต่ออัคีดาเขามากนะครับมุสลิมจะต้องบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นไปนั้นมาจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นผู้สร้างแต่สําหรับบุคคลที่ยังไม่รู้จก ALL AH, ALL AH ักอัลลอฮ์อัลลอฮ์สุลตาราก็ยังให้มีสิ่งเหล่านี้นะครับอยู่รอบตัวเราเพื่อที่จะรู้ถึงว่าโลกใบนี้นั้นมีการสร้างที่ยิ่งใหญ่ของผู้สร้างมีการจัดระบบระเบียบนะครับของผู้ที่ยิ่งใหญ่ นั่นคืออัลลอฮฺ س ะอยู่วันไลลออัสขอสาบานด้วยกับเวลานะครับกางคืนที่มันในตัฟซิดภาษาไทยเนะี่ยจะแปลว่ากางคืนที่มันหายไปนะครับซึ่งมันจริงๆแล้วในสำนวนภาษาอัสอัสเนี่ยมันแปลว่ามาก็ได้นะครับมันรับไปก็ได้มันมีความหมายให้มันเข้ากับให้มันเข้ากับประโยคที่จะตั้งกล่าวถึง แต่เชคุสัยมินบอกว่าตรงเนี้ยถ้าจะให้มันสอดคล้องกับอญญายะข้างหน้าต้องแปลว่าในยามค่ำคืนที่มันกำลังคืบคานมานะครับแล้วก็อีกอญญายะหหนึ่งวะซุบฮอะัฟัสขอสาบานด้วยกับเวลาเช้าตรู่เมื่อมันทอแสงดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าอัลลอฮสุลตาาไม่ได้หยิบยกกลางวันเท่านั้นมาสาบานแต่อัลลอฮุตาลาได้หยิบยกคาว่าอัุบฮเวลาซุบ เวลาสุบฮีเป็นเวลาที่มีความประเสริฐมากนะครับเป็นเวลาที่บรรยากาศดีมากเป็นเวลาเริ่มต้นของวันใหม่เป็นเวลาที่บราริกะของลอสุตาราจะถูกประทานลงมานะครับท่านอับดุลเบี๋ยมมุฮัมมัดสุลต่านสลามนั้นได้ขอดวอาจากอลอสุหานอตาลาว่าอัลลอฮุมะบาริกลิอุมมัติฟีบุคูริฮ่าโอร์ขอพระองค์ลอสุหานอตาลาประทานความจำเริญ ความบารักะให้กับประชาชาติของข้าพราะองค์ในยามเช้าตรู่ด้วยเถิดนะครับ อ, อัลบุูร์นะครับแปลว่าเช้าตรู่อัลซุบฮีก็แปลว่าเช้าตรู่อลอสตานํำเวลานี้มาสาบานนะครับพูดถึงความสำคัญของมันละหมาตซุบฮีเป็นละหมาตที่มีความสำคัญมากเป็นละหมาตที่นะครับมันหนักอึ้งสำหรับบุคคลที่เป็นมูนาฟิก บุคคลที่กลับกรอกนะครับพวกเขาจะไม่ตื่นละหมาดเพราะจะีกันพวกเขาจะละเลยในเรื่องของละหมาดยามเช้าตรู่นะครับและกละ็ละหมาดอัสรีละหมาดอิชาเป็นละหมาดแรกของวันถ้าหากว่าใครที่รักษามันได้นะครับเขาก็สามารถที่จะรักษาละหมาดเวลาอื่นๆได้เพราะละหมาดในวันเวลาที่ยากที่สุดก็คือละหมาดในเช้าตรูที่จะต้องตื่นมาแต่เช้าตรูนะครับ จึงเป็นเวลาที่มีความสําคัญมากมมีฮาริสบทหนึ่งนะครับที่พูดถึงการตอบแทนของคนที่รักษาละหมาดฟัชเจอรีกับละหมาดอัสตอรีไว้ได้เนี่ยเขาจะได้เห็นอัลลอฮ์สุบฮานุต阿าในวันเกียร์มานะครับเขาจะได้เห็นอัลลอฮ์สุบฮานุต阿าในวันเกียร์มาเพราะว่าท่านอับดุลเบี๋มฮามาสุรลองสลัมบอกว่านะครับพวกท่านทั้งหลายเนี่ยตอนวันหนึ่งครั้งหนึ่งท่านอบีเคยนั่งกับบรรดาสุฮาบะแล้วนับีก็บอกว่าซาตเราในรอบบกุม กลาตาเราเนะี่ยอัลลอฮ์กามรห์ิไลละพวกท่านทั้งหลายจะเห็นอัลลอฮ์สุหานอัลตาลาเหมือนกับที่พวกท่านได้เห็นจันทร์นะครับที่เต็มดวงเฉกเช่นคือ่ําคืนนี้แล้วตูดอมูนะฟิรุยติฮีและจะไม่มีอะไรมาบดบังสายตาของเขาในการเห็นอัลลอฮ์สุหานอัลตาลาได้นะครับหลังจากที่นบีพูดคําคํานี้พูดถึงการเห็นอัลลอฮ์สุหานอัลตาลานบีก็บอกว่าดังนั้น ใครก็ตามในหมู่ของพวกท่านที่สามาที่จะรักษานะครับเวลาละหมาดก่อนฟัเจรี่ขึ้นและละหมาดก่อนที่ดวงอาทิตย์จะตกดินได้ฟัลเลฟอันเขาจงทํามันนั่นก็คือการละหมาดฟัเจอรี่ซุบะฮี่กับละหมาดอัสรีนะครับที่บรรดาสฮาบะเข้าใจจากนบีก็คือละหมาดฟัเจรี่และก็ละหมาดอัสรีเป็นละหมาด ท, ที่มีความสําคัญมาก ถ้าใครรักษา2เวลานี้ได้3เวลาที่เหลือเป็นเรื่องง่ายเพราะ2เวลานี้นะครับเป็นเวลาที่หนังอึ้งมากเป็นเวลาที่มีความยากลําบากคนกําลังติดพันกับเรื่องของงานของเขาจนไปถึงเวลายามเย็นนะครับยามเย็นเป็นเวลาที่ทุกคนกําลังจะเลิกงานมันมีกิจกรรมที่ยังทําติดค้างกันอยู่นะครับแล้วก็ช่วงเช้าเป็นช่วงที่จะต้องตื่นขึ้นมาต่อสู้กับนับสู้อย่างมากใครรักษาเวลานี้ไว้ได้อลาสตาตอบแทนให้กับเขานั้น นะครับด้วยกับการเห็นอัลลอฮ์สุธรรมตาลาในวันเกียร์มาเพราะท่านอบีได้กล่าวทิ้งท้ายไว้กับประโยคที่บอกว่าพวกท่านจะได้เห็นอัลลอฮ์สุตาลาในวันเกียร์มานะครับโดยที่ไม่มีอะไรมาบดบังและนับี๊ย์ก็บอกใครทํา2ประการต่อไปนี้ได้เขาจงทํามันมันเป็นความสัมพันธ์ความเกี่ยวโยงถึงผ ล, ลบุญถึงภาคผลที่อัลลอฮ์จะตอบแทนเป็นเวลาที่มีความสําคัญมากๆนะครับอัลลอฮ์สุาตาลาถึงหยิบยก นะครับช่วงเวลานี้มาทําการสาบานอินนามะอัลลอฮุตะอาลาบิฮาดินมัครูกัดหรืออมิฮะวกเกนี่ฮะมินอายะตินกุบรอเพราะว่าอัลลอฮฺสุตตาลาได้ทรงหยิบยกสิ่งเหล่านี้มาพูดถึงความสําคัญถึงสัญญาณอันยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺสุฮาโนตะอาลาในการที่อัลลอฮฺสุตตาลาได้สร้างมันขึ้นมาเฝม่ยึดติดในยึะตีบินหนาหรือจะการในเล่ลุว่าม่ยึดติด ยะตยาบินไลลีอิสะแกนันนาหารุท่าเชคอุซมินก็อธิบายอีกนะครับว่าถ้าเราสุนตรัลลาให้มีกลางคืนนะครับมาแล้วเนี่ยมันมีระยะเวลาของมันนะครับตั้งแต่ดวงอาทิตย์ตกดินจนถึงซุปหีเนี่ยระยะเวลาของแต่ละฤดูกาลก็ไม่เหมือนกันกลางคืนของหน้าหนาวนะครับกลางคืนก็จะยาวกว่าหน้าร้อนกลางวันนะครับ ก็จะมีระยะเวลาที่ต่างกันอีกในแต่ละฤดูการฤดูหนาวก็จะมีนะครับกลางวันที่สั้นกว่าฤดูร้อนนะครับฤดูร้อนมักคิริบก็จะเข้าช้ากว่าฤดูหนาวนะครับถึงแม้ว่าจะเป็น24ชั่วโมงเหมือนกันแต่อัลลอฮุซุนตะลาก็ทําให้ระยะเวลาของกลางวันกลางคืนเนี่ยมันมีความต่างกันแต่ทั้งหมดรวมกันแล้วก็จะได้24ชั่วโมงไม่มี เกินกว่านี้อีกนะครับตั้งแต่วันที่เร า, าสร้างทรงสร้างโลกขึ้นมาจนถึงวันเกียร์ม24ชั่วโมงมันยังคงเหมือนเดิมแต่เวลากลางวันและกลางคืนมันมีการปรับเปลี่ยนไปขึ้นอยู่กับฤดูกาลดังนั้นเมื่อมันมีกลางวันเกิดขึ้นใครบ้างที่มีความสามารถที่อยากจะให้มันเป็นกลางคืนนะครับมีใครทําได้บ้างไม่มีต่อให้ท่านจะเป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านมีอํานาจแค่ไหนบนโลกใบนี้ท่านก็ไม่สามารถที่จะ นะครับเมื anyway, <match> ่อกลางวันมาแล้วท่านจะเปลี่ยนให้มันกลายเป็นกลางคืนนะครับท่านไม่สามารถที่จะเปลี่ยนธรรมชาติของลอสซุ่มหาตะลาได้ให้มันกลายเป็นกลางคืนได้ถึงแม้ว่าท่านจะอยากจะให้มันเป็นกลางคืนแค่ไหนก็ตามหรือว่าเป็นกลางคืนท่านอยากจะทำงานในช่วงกลางวันแค่ไหนก็ตามท่านก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนกลางคืนให้เป็นกลางวันได้นะครับมันเป็นสิ่งถูกสร้างที่ลอสได้กาหนดมันอย่างตายตัว ผู้กำหนดผู้สร้างมันเท่านั้นถึงจะกำหนดให้เป็นสิ่งเหล่านี้มันเป็นไปอย่างเป็นระบบระเบียบได้ไม่มีใครที่สามารถทำได้อลลอฮฺ Allah สุฮาตาลาได้ทรงตรัสไว้ในคุรานนะครับว่า an, um ja al la ah um นะกาอลลอฮฺอัลลอะฺอัลลอฮฺจัลลัลลอินกุฮัมมัดอัลลอยรุลลอฮฺอตลลอฮฺุลลอฮฺอัลัอฮฺุลลอฮฺอัลาอฮฺุลลอฮฺอัลลอฮฺุลลอฮฺอัลลอในการที่อัลลอฮุลลอตฺอัลดอสร้ลงให้กับพวกเจ้าถึงกัลางคืุเลอ อลัลลอฮได้สร้างกลางคืนให้กับพวกเจ้าซาดมาดามันจะเป็นอย่างนั้นตลอดไปนะครับมีกลางวันก็จะมีกลางคืนอิลายาุมินกียมะจนไปถึงวันกียมะมันอิลาฮุนอยรุลลอและใครอีกที่จะเป็นพระเจ้าอื่นจากอาลัลลอฮฺซุลฮานุตาลายะตีกุมบีเดียอินที่จะเอาแสงสว่างมาให้เกิดขึ้นในยามค่ำคืนหมายถึงแสงสว่างของกลางวันนะครับ ใครที่ทําแบบนี้ได้บ้างอัฟลาตัสมาอุนพวกเจ้ายังไม่ได้ยินดําราตของอัลลอฮฺสุตลตาราเหล่านี้อีกหรือในการที่พวกเจ้านั้นได้ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮฺสุตลตาราใครทําได้บ้างพระเจ้าจอมปอมองค์ไหนทําได้บ้างนะครับวันนี้เกิ น, กนเวลากลางคืนนะครับไปหาได้เลยไปหาพระเจ้าจอมปอมทั้งหลายบอกว่าให้ดวงอาทิตย์โผล่ขึ้นมาในกลางวันในตอนกลางคืนสิพอนะครับกลางวันเกิดขึ้น ลองไปหาเทพเจ้าจอมปอมทั้งหลายแล้วก็ขอพวกเทพเจ้าจอมปอมทั้งหลายสิว่าให้มันมืดกลายเป็นกลางคืนสินะครับใครทําได้บ้างไม่มีใครทําได้ไอลัลลอฮ์สุลตานตะลาบอกไว้ในอันกุรานอย่างชัดเจนว่าก <h ums> ุนอรอไอตุมอินเจาะลัลลอฮฺฮวงอากุมนะฮะรอซัร์มาดาอีลายอเมนกียามและเมื่ออลัลลอฮ์สุลตานตะลาให้กลารให้ยามนะครับสร้างกลางวันขึ้นมาซัร์มาดามันจะเป็นอย่างนั้นตลอดไป นะครับก็คือจะมีกลางวันและมีกลางคืนและมันจะเป็นสัตมาดามันจะเป็นอย่างนั้นตลอดไปอีลายเยาเมงนกยาาียมะมันอีลายหุนคอยรุาาย่นลอใครล่ะที่เป็นพระเจ้าอื่นจากอลล์แยตีกุมที่จะเอากลางคืนมาให้กับพวกเจ้าได้ถ้าหากว่ามันเกิดกลางวันขึ้นมาที่เาราสมุทรตะลัสร้างกลางวันขึ้นมานะครับใครที่จะเอากลางวันมาให้กับพวกทจ้ทาได้อลอท้าทายไว้ในอันกุรันนะครับพูดถึงความยิ่งใหญ่ของลอสมหาตะล า, อาลอท้าทายเอาไว้ว่าถ้าลอให้เกิดกลางคืน ใครเอากังวันมาได้ถ้าร้องให้เกิดกลางวันใครเอากลางคืนมาได้นะครับลองทําสิเอาพระเจ้ามันอีแล้วคุณคอยรุ่นหรอพระเจ้าที่เจ้ากราบไหว้อื่นจะเอาล่ะสุนตละนามาทั้งหมดเลยนะครับใครทําได้บ้างยะตีกุมบิไลลินเตสกูนูเนฟีทีเอากลางคืนมานะครับและให้พวกท่านทั้งหลายนั้นได้ทําการพักผ่อนในมันอัฟฟาาตูบซิรูนพวกท่านยังไม่เห็นอีกหรือว่าไม่มีใครทําได้นะครับ ว่ามันเป็นความเมตตาอันยิ่งใหญ่นะครับถ้าหากว่าเราเนี่ยพินิจพิจารณาไข้ควรอันกุรานไข้คว ร, ควรสิ่งต่างๆที่มันอยู่รอบตัวเรานะครับเราจะได้ผลบุญนะครับจากการคิดทบทวนไข้ควรสิ่งถูกสร้างแต่ละวันที่มันผ่านหูผ่านตาเรา เราไปท่องเที่ยวอย่าให้การท่องเที่ยวมันเป็นเพียงแค่ความสนุกให้เราดูภูเขาให้เราดูต้นไม้ให้เราดูท้องฟ้านะครับให้เราดูแม่น้ำและให้เราคิดว่าพระเจ้าผู้สร้างมันยิ่งใหญ่เหลือเกินนะครับดังที่อัลลอลาทรงตัดไว้ในอายะสุรในสุร์อัลกอซซสอายะที่73อีกว่าว่ามิร์ฮ hm ฺมะติฮีมันเป็นความเมตตาจากอัลลอหฺสุฮานตาลา จะอัลลาห์ละกุมุลไลละวันนาห้รอการที่อัลลอฮฺสุบฮานาหุตาอาลาเนี่ยได้สร้างกลางคืนและกลางวันให้กับพวกท่านเพื่อที่พวกท่านนั้นจะพักผ่อนอัลลอฮฺสร้างกลางคืนให้เราได้พักผ่อนนะครับและอัลลอฮฺสุบฮานาหุตาลาก็สร้างกลางวันให้เราเนี่ยริตตบตกูมินฟตุลิฮีแสวงหาปัจจัยยังชีพนะครับเวลาอันละฮฺกุมตฟักกรูนหวังหรือเกิดว่าพวกท่านทั้งหลายเนี่ยจะ คิดพินิษพิจารณาถึงการสร้างของอัลลอฮ์ทุงฮะตลาดังนั้นนะครับพี่น้องผลบุญของเราได้มาไม่ได้ยากนะครับได้มาง่ายๆเพียงแค่เรานั่งดูภูเขานั่งดูนะครับกลางวันกลางคืนท้องฟ้าท้องทะเลนะครับและเราคิดพินิษพิจารณาแค่นี้เราก็ได้ผลบุญจากอัลลอฮ์ทรงฮะตลาแล้วนะครับเพราะมันเป็นการดูถึงสิ่งถูกสร้างที่อัลลอฮ์ทรงสั่งใช้ให้เราพินิษพิจารณาอาลัลลอฮ์ให้เราพิจารณาและเมื่อเราพิจารณา เมื่อเราพิจารณาแล้วมันก็กลายเป็นอีบาดตามคำสั่งใช้ของอัลลอฮพิจารณาถึงผู้สร้างมันก็กลายเป็นอีบาดแค่มองไปภูเขาก็กลายเป็นอีบาร์ดาได้มองไปท้องทะเลก็กลายเป็นอีบาร์ดาได้ถ้าหากพิจารณาว่าผู้สร้างยิ่งใหญ่เหลือเกินทำไมถึงสร้างสิ่งมีชีวิตได้มากมายที่อยู่ในท้องทะเลและก็ใครเป็นผู้ให้ปัจจะ ย, ยังชีพแก่มันนกสักตัวหนึ่งไม่มีสติปัญญาและใครเป็นผู้ นะครับวางลิขิตชีวิตของมันให้มันต้องไปหาอาหารมาให้กับลูกของมันต้องสร้างรังแบบนี้ใครเป็นสอนใครเป็นผู้สอนวิธีการสร้างรังให้กับมันนะครับพึ่งใครเป็นผู้สอนวิธีการสร้างรังให้กับมันนกใครเป็นผู้สอนให้มันไปต้องเอาหญ้าต้องเอามานะครับเอามาเอามาไว้บนต้นไม้แล้วก็เอามาติดกันอย่างไรให้มันนะครับรังของมันเหนียวแน่นกนะ็มีลูกนกอยู่ข้างในนะครับปกป้องลูกของมันและเอาอาหารมาให้ลูกของมันกิน ใครเป็นสอนใครเป็นผู้สอนให้มันบินนะครับเมื่อมันมีขนมันมีปีกสุพรรณนลเหล่านี้เป็นลิขิตที่องค์สุตตราได้ทรงวางไว้อย่างนะครับมีระบบระเบียบถ้าเราพิจพิจารณาเราจะได้ผลบุญอย่างมากมายแม้แต่การพิจารณาของเราต่อสิ่งถูกสร้างต่างๆแต่วันนี้นะครับมนุษย์เนี่ยไม่ค่อยคิดไม่ค่อยพิจารณาพวกเราไม่ค่อยนะครับมองธรรมชาติแล้วก็พิจารณาถึงสิ่งถูกสร้างแม้แต่ต้นไม้สักต้นหนึ่งที่เราปลูกมันขึ้นมานะครับถามว่า เราเนี่ยลงมือปลูกก็จริงแต่ผู้ที่ให้มันเจริญเติบโตขึ้นมานะครับจนกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ออกดอกออกผลมากมายเนี่ยใครเป็นผู้ให้มันเกิดขึ้นใครเป็นผู้ให้มันงอกเงยเรามีหน้าที่เพียงแค่หว่านเมล็ดแต่มันจะงอกเงยเติบโตขึ้นมากลายมีลําต้นมีใบไม้มีกิ่งก้านสาขาที่มันแยกออกไปให้ผลผลิตอย่างมากมายเนี่ยใครเป็นผู้ให้มันเกิดขึ้นใครเป็นผู้ให้มันเติบโตถ้าไม่ใช่อัลลอฮฺสุลตาราแล้วใครนะครับไม่มีใครมีความสามารถ เรามีเป็นเพียงแค่คนให้ปุ๋ยให้น้ําเท่านั้นเองบางคนให้ปุ๋ยให้น้ําเหมือนกันทุกอย่างแต่ต้นไม้ของอีกคนหนึ่งตายคนหนึ่งรอดนะครับนั่นไม่ได้หมายความว่าเขามีความสามารถด้วยกับตัวของเขาเองแต่ออลลอฮฺทรงตลาดเป็นผู้ให้นั่นดังนี้ทําให้เราได้ข้อคิดว่าอะไรก็ตามแต่ที่เราทำในในหน้าดุลยานี้เนี่ยนะครับเราจะค้าขายเราจะทํางานเราจะอะไรก็ตามแต่อย่าคิดว่าความสําเร็จที่มาเป็นความสําเร็จจากตัวเราว่าเราเก่ง เราทำได้ฉันทำได้แต่จริงๆแล้วนะครับมันเป็นความสามารถของอลัลลอฮ์ซุบฮานตะลาที่พระองค์ทรงให้มันเกิดขึ้นมานะครับอลัลลอฮ์สุตตะลาให้มันเกิดขึ้นมาแล้วก็มันก็เกิดตามที่อลัลลอฮ์ทรงประสงค์แต่เราเป็นเพียงแค่นะครับหน้าที่ที่ทํามันเท่านั้นเองแต่ความสำเร็จมอบให้กับอลัลลอฮ์ซุบฮานตะล า, าลานะครับดังนั้นสิ่งเหล่านี้ที่อลัลลอฮ์มาสาบาน หยิบยกมาสาบานก็ให้เราได้รู้ได้ถึงเดชาลุภภาพของอัลลอฮหนึ่สองถึงความสําคัญถึงสิ่งที่อัลลอฮ์ได้หยิบยกขึ้นมาสาบานเหมือนกับอายะฮ์ที่เราได้อ่านกันบ่อยวันอัสใช่ไหมครับขอสาบานต่อการเวลาเวลามีความสําคัญกับชีวิตของผู้ศรัทธ า, าแค่ไหนแค่นี้แค่คําว่าเวลาอย่างเดียวนะ่ะเราลองมานั่งคิดทบทวนว่าแต่ละวันของเราเนะี่ยเราเสียเวลาไปกับสิ่งไร้สาระมากแค่ไหนถ้าเราเอาเวลาเหล่านั้นนะ่ยมาเข้าใกล้ชิดอัลลอฮ์ เราเอาเวลาเหล่านั้นมาทําประโยชน์เพื่ออาคีราะของเราให้มากยิ่งขึ้นเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับเรามากแค่ไหนนะครับเรามีเวลาเท่ากันเอาล่ะให้มีกลางวันมีกลางคืนเท่ากัน24ชั่วโมงเท่ากันแต่ยีิบสีชั่วโมงของผู้ศรัทธากับผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาผู้มีอี إ ي ่านกับผู้ไม่มีอ ي م ا ن เนนะี่ยยีิบสีชั่วโมงไม่เหมือนกันต่างกันอย่างลึกลั บ, บถึงแม้ว่าจะเท่ากันในเรื่องของวินาทีของนาทีของชั่วโมง แต่ประโยชน์ที่ได้รับไม่เหมือนกันแน่นอนนะครับผู้ศรัทธาจะพินิจพิจารณาค่อควรกับเวลาที่ผ่านไปนะครับจะทำการละหมาดดิกลลออ่านอันกรานทำความดีสแสวงหาตักตวงนะครับแต่ละวันที่ผ่านไปเขาได้รับความดีงามแต่คนที่อีมาน้อยคนที่ไม่ค่อยสนใจเรื่องราวของอิสลามนะครับเขาก็หายใจทิ้งไปวันๆปล่อยปะละเลยเวลาที่ผ่านไปกับ d u n y า จนไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยที่จ ะ, สะแสวงหาเก็บเกี่ยวสเสบียงในวันอาคิระร์นะครับดังนั้นเนี่ยอัลลอ์ก็จะสอบสวนเขาในวันเกียรมัดในเวลาที่อัลลอ์ให้เท้าของเขาจะไม่ก้าวไปไหนจนกว่าจะถูกสอบถามในเรื่องของเวลาในเรื่องของอายุในเรื่องของอาชีพในเรื่องของริสกีปัจจัยยังชีพที่ได้มาต่างๆนาๆนานะครับเขานั้นใช้ไปในหนทางใดถ้าใช้ไปในหนทางที่เกี่ยวข้องกับหลักการของอัลลอ์ ในความพอพระทัยของอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์สตาร์ก็จะตอบแทนมันอย่างงดงามในขะับอย่างยิ่งใหญ่แต่ถ้าใช้ไปในหนทางที่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์สุลฮามต阿าแนะ่นอนว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมัดต่างๆเหล่านี้ความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ให้มานี้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นพยานมัดตัวเราเองนะครับทรัพย์ส่นบัติที่เราหามานะครับในตอนกลางวันที่อัลลอฮ์สุลฮามต阿拉สร้างขึ้นมาให้เราไปแสวงหาปัจจัยยังชีพให้มันมีกลางวันให้มีแสงสว่าง นะครับพอมีแสงสว่างเราจะทําอะไรก็ได้เราก็ไม่ต้องเปิดไฟนะครับเราก็จะทําอะไรก็ได้ในช่วงกลางวันนะครับมันก็จะมีการงานเกิดขึ้นนะครับงานก็จะบริษัทก็จะส่วนมากก็จะเปิดในช่วงกลางวันถึงตอนเย็นนะครับตอนกลางคืนก็พักผ่อนกลับมาบ้านกลับมาพักผ่อนเราสุนตาร์จึงให้มีทั้งกลางวันเพื่อที่แสวงหาปัจจัยยังชีพนะครับกลางคืนแต่ละคนก็ได้พักผ่อนบางคนก็จะพักผ่อนกลางวันแต่ก็ทํางานกลางคืนก็แล้วแต่แต่ ชีวิตของเราจะต้องมีการพักผ่อนไม่ว่าจะพักผ่อนในช่วงไหนก็ตามแต่ต้องมีการพักผ่อนถ้าไม่พักผ่อนชีวิตของเราต้องแย่แน่แน่นแ น, แน่นอนครับชีวิตของเราต้องเอ่อร่างกายของเราก็สุขภาพของเราก็เสื่อมโทมถ้าเราไม่มีการพักผ่อนเราก็ต้องมีการพักผ่อนรวยมากธรรมชาติของมนุษย์ก็จะพักผ่อนในช่วงกลางกลางคืนกลางวันก็ไปแสวงหาปัจจัยยังชีพเอเล็กซ์ตราลาสร้างสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมชาติให้กับมนุษย์นะครับให้มนุษย์ได้ได้ทําสิ่งเหล่านี้ขึ้นมา และสิ่งเหล่านี้จะถูกสอบสวนนะที่อัลลอฮ์ว่าเวลาที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยมาตรต่างๆความโปรดปรานต่างๆที่ให้มานะครับเหมือนกันเนี่ยแล้วเราใช้ไปในหนทางใดบ้างนะครับและสิ่งเหล่านี้นะครับมันเป็นสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าอันกสัมเป็นการสาบานนะครับเป็นการสาบานที่อยู่ในอันกุรอานเป็นการสาบานที่เราหยิบยกขึ้นมาแล้วเราสุนตละก็ได้ ตอบถึงสิ่งที่อลัลลอฮฺสุลต่านได้ทรงสาบานไว้ว่าอินนาหูละก้ารุรอซูลินการีมนะครับสิ่งที่อลัลลอฮฺตรัสมาทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับอลัลลอฮฺสุลต่านได้ทรงแสดงถึงบอกถึงคําตอบของมันว่าสิ่งต่างๆที่พูดมาทั้งหมดก่อนหน้านี้มันคือแท้จริงแล้วอินนาหูแท้จริงแล้วอันกุรานั้นคือคําพูดของรอซูลินการีมคําพูดของยิบรีนผู้ทรงเกียรติ ตรงนี้นะครับหลายคนอาจจะมีความเข้าใจพออ่านถึงอาย่านี้เนะี่ยมันรู้สึกมันจะไปขัดกับอัลกุรอานอายาอื่นไหมหรือว่าอะคิดาของเราไหมที่บอกว่าอัลกุรอานนั้นเป็นกาลามุลละเป็นดํารดของอัลลอฮ์สุลฮานตาูตลาแต่พออ่านสุร่าที่สุร่าอัตตะวีตอายาที่สิบเก้าแล้วบอกว่าอินนะฮูละก้ารุรอซูลินกาลีมเนี่ยแท้จริงแล้วอัลกุรอานนั้นเป็นคําพูดของยนะิบรีนเนี่ยตรงนี้มันขัดกันไหมตรงนี้ไม่ขัดกันถ้าว่าเราไปดูคําอธิบาย นะครับของบรรดาศาลาฟุตซอลและบรรดาซอฮาบะบรรดาอุลามะเนี่ยเราจะรู้ว่าคําพูดดํารัดตรงนี้แปลว่าแท้จริงแล้วที่บอกว่าอันกุรานเป็นคําพูดของยิบรินหมายถึงว่ายิบรีนนั้นเป็นผู้ถ่ายทอดคําพูดดํารัดของอัลลอฮ์ซุหฮานุตาลาโดยตรงให้กับท่านนาบีมุฮัมมัดสลุลลัลฮุลลาสลัมและท่านนาบีนั้นก็เป็นผู้ที่นะครับนำดํารัดของอัลลอฮ์ซุหฮานุตนะาลามาเผยแผ่ให้กับมนุษยชาติอีกทีหนึ่งนะครับ ดังนั้นตรงนี้ไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทําไมความหมายของอายะนี้จึงบอกว่าอันกุรานเป็นคําพูดของจิบรินหมายถึงคําพูดที่เผยแผ่นะครับหรือว่านํามาบอกต่อให้กับนบีมุฮัมมัดสุลต์ละสลัมจากอัลลอซุบฮานุตาลานั่นเองไม่ใช่คําพูดที่สร้างขึ้นมาเองหรือพูดเองของจิบรินแต่จิบรินเป็นผู้ที่ถ่ายทอดและนําสารจากอัลลอซุบฮานุตาลา ซึ่งอลัลลอฮฺสซาได้ตรัสจริงๆด้วยกับคําพูดและก็อักษรและก็เสียงให้ยิบรีนได้ฟังได้ยินได้ก็นําสิ่งนั้นมาบอกกับท่านนับีและท่านอับดุลเบี๊ย์หามาสอรอร์ลสัลลัมนั้นก็นําสิ่งนั้นมาบอกแก่ประชาชาติท่านอับดุลเบี๊ย์หามาสอรอร์ลสัลลัมก็นํามาสอนให้กับประชาชาิก็มีบรรดาซอฮาบะของท่านอบีที่ท่องจําก็จะมีบรรดากุตตา บ, บุลวาฮีบรรดาผู้ที่ทําการบันทึกนะครับบรรดาผู้ที่ทําการบันทึก อันกุรานในยุคแรกก็ทําการบันทึกในกนารอนุภาคลำในกระดูกซี่ในกระดูกนะครับสะโพกอูดบ้างในก้อนหินบ้างนะครับที่ถูกจารึกเอาไว้นะก็ท่องจําไปด้วยบันทึกไปด้วยนะครับแต่ยังไม่ถูกบันทึกเป็นเล่มเดียวกันนะครับในยุคที่อันกุรานถูกประทานมาแรกๆเนี่ยแต่บันทึกในยุคหลังนะครับหลังจากที่น บ, บีเสียชีวิตไปแล้วนะครับก็เกรงว่าจะสูญหายคนที่ท่องจําอันกุรานก็จะล้มหายตายจากไป ดังนั้นเพื่อที่จะรักษาอันกุรานเอาไว้ตามบัญชาใช้ของลอสตัาลาเนี่ยก็มีการรวบรวมกุรานขึ้นหลังจากที่นะบีเสดชีวิตในยุคท่านอบดุบักคท่านอุมรัรท่านอุสมา n น, นะครับจนมาถึงยุคของเรานะครับกุรอานก็ถูกรวบรวมเป็นเล่มเดียวกันนั่นเป็นบัญญัติที่อัลลอฮาสั่งใช้ให้เรารักษากุรานและก็นี่ก็คือหนึ่งวิธีการในการที่จะรักษากุรานไว้ได้ก็คือจะต้องรวมเป็นรูปเล่มนะครับและก็ให้มีการท่องจํา ดังนั้นบรรดาซาบ้านในยุคแรกเนี่ยนะครับเมื่ออัลลอฮุสซาลาได้ประทานกุรานลงมาให้กับท่านอบีผ่านจิบรินนะครับในอายะนี้เนี่ยบอกว่าอินนะหุละเกลุรอซูลินการิมนะครับมันเป็นคําพูดของจิบรินที่ถ่ายทอดมาจากการได้ยินได้ฟังการดํารัสของอัลลอฮุสซาลาและเป็นคําพูดที่อัลลอฮ์ได้ตรัสจริงๆไม่ใช่เป็นเพียงแค่อัลลอฮ์สร้างคําพูดมาและก็ให้จิบรีนรับไปไม่ใช่ และ ว, วันนี้อะกิดะอัลลอุซุนนะวันจะมาะต้องเชื่อว่าอัลลอฮฺสุตลานั้นได้ทรงพูดจริงๆได้ทรงพูดด้วยกับอักษรและก็มีเสียงจิบรีนได้ยินนะครับและก็นำสิ่งนั้นมาให้กับท่านนาบีและการอ่านของท่านนาบีการพูดของจิบรีนนั้นนะครับแน่นอนเป็นเสียงของนบีเป็นเสียงของผู้อ่านเป็นเสียงของจิบบรีนนะครับแต่ว่า ดัมรัดนั้นเป็นดํารัดของอัลลอฮฺสุพานณตลาที่พระองค์ทรงพูดให้จิบรีนตรงนี้แหละเป็นอัคคีเดาของอัลลอฮฺสุนนะวันจามะนะครับเราไม่เชื่อว่าอัลกุรอานนั้นเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺสร้างขึ้นมาเป็นแค่เพียงความคิดนึกคิดของอัลลอฮฺแล้วก็รสร้างขึ้นมาให้จิบรีนไม่ใช่นั่นเป็นแค่แนวคิดของกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่ไม่ใช่กลุ่มอัลลอฮฺสุนนะวันจามะกลุ่มอัลลอฮฺสุนนะวันจามะต้องเชื่อว่ า, าอัลลอักกามฮฺมู แท้จริงอัลลอฮฺสุลตลานั้นได้พูดกับมูซาเป็นการพูดจริงๆนะครับและเวลาคําพูดเนี่ยคือพูดมีเสียงนะครับมีอักษรแต่วิธีการที่อัลลอฮฺจะพูดนั้นไม่มีใครรู้ได้นะครับวิธีการเรามอบหมายกับอัลลอฮฺสุลตลาไม่มีใครรู้ว่าอัลลอฮฺพูดอย่างไรแต่เราเชื่อว่าอัลลอฮฺพัลลาว่าอัลลอฮฺบอกไว้ว่าอัลลอฮฺพูดจริงๆเราก็เชื่อตามนั้นแต่ไม่มีใครรู้ว่าพูดอย่างไรและไม่ต้องไปคิดไปจินตนาการว่าการพูดจะต้องมีลิ้น ใช่ไหมครับถ้าลิ้นไก่สั้นก็พูดไม่ได้ต้องมีกล่องเสียงต้องมีลูกกระเดือกต้องมีอะไรต่างๆนั้นอนะ่ะไม่ต้องไปจินตนาการเกี่ยวกับวิธีการของอัลลอฮ์เพราะวิธีการเป็นสิ่งลึกลับแต่สิ่งที่เราต้องยืนยันก็คือในอัลกุรอานถ้าอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์พูดนะครับเราก็เชื่อตามนั้นอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์มีคุณลักษณะอย่างไรเราก็เชื่อไปตามนั้นเพราะเราอีหมั่นต่ออัลกุรอานทุกตัวอักษรอัลลอฮ์บอกแบบนี้เราก็เชื่อแค่นี้ แต่วิธีการนั้นเป็นสิ่งลึกลับทั้งหมดว่าอัลลอฮ์จะพูดอย่างไรนะครับการพูดของอัลลอฮ์เป็นอย่างไรอัลลอฮุตาอัลอะลัมไม่มีใครรู้ได้และจะไม่ตั้งคําถามว่ามันเป็นอย่างไรด้วยนะครับและจะไม่ตั้งคําถามสแสวงหาคําตอบว่าและมันจะเป็นอย่างไรละ่ะอัลลอฮ์จะต้องพูดแบบไหนแล้วถ้าว่าเราสแสวงหาคําว่าอย่างไรมันก็จะไปหาว่าเอ๊ะคนจะพูดได้มันก็ต้องมีกล่องเสียงไม่ใช่หรือมันก็ต้องมีลิ้นไม่ใช่หรือ ดังนั้นถ้าอาลัลลอฮ์มีลิ้นก็ไม่ได้แตกต่างกับมนุษย์ใช่ไหมเห็นไหมถ้าว่าเราไปล้วงนะครับเรื่องสิ่งเลึลับมันก็จะมาแต่สิ่งที่นะครับบิดเบือนศาสนามันก็จะความคิดชัยตอนก็จะมาแทรกทันทีในเรื่องของความคิดของเราที่จะให้อลัลลอฮ์จะละเหมือนสิ่งถูกสร้างดังนั้นการที่อลัลลอฮ์บอกแค่นี้เราก็เชื่อแค่นี้โดยที่ไม่ต้องไปตั้งว่ามันเป็นอย่างไรนะครับและมันเหมือนกับมนุษย์ไหมมันคล้ายกับมนุษย์ไหม และห้ามปฏิเสธด้วยนะครับต้องยืนยันตามที่อัลลอฮ์ซุลฮะตลายยืนยันว่าอัลลอฮ์ซุลฮะตลายส่งพูดด้วยกับอันกุรอานด้วยกับเสียงด้วยกับอักษรจิบรินได้ยินและก็นำถ้อยคําเหล่านั้นนะครับกุรานั้นมาบอกให้กับท่านนาบีเป็นวาฮีจากอัลลอฮ์ในหลายๆรูปแบบนะครับในความฝันบ้างได้ยินเป็นเสียงบ้างเสียงกระดิ่งเสียงะระฆังบ้างนะครับแล้วก็เอาวาฮีนั้นมาให้กับนบีนบีก็ท่องจํา นบีอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นบีก็มีกุตาบุลวาฮีมีบรรดาสฮาบะกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่านักบันทึกอัลกุรอานนะครับนักบันทึกวาฮีผู้คนเหล่านี้นะครับหลังจากที่วาฮีลงมาปุ๊บนบีจะเรียกมาแล้วก็ให้บันทึกทันทีและคนเหล่านี้ก็จะท่องจําและนบีก็จะสอนสอนความหมายนะครับของอัลกุรอานเป็นอายะอายะอายะนะครับทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อยจนกระทั่งว่าเขามีความเข้าใจอย่างลึกซึง้งและก็ท่องจํามันได้ นะครับซาลัฟหลายๆคนซอฮาบะหลายหลา ย, หลายคนใช้การใช้เวลาท่องจำอันกุรอานหลาย10ปีนะครับเพราะเขาท่องจําพร้อมกับความเข้าใจนะครับนี่คือวิถีของซาลฟุสซอและคือซอฮาบะที่มีความเข้าใจนะครับในอันกุรอานและก็ฮะดีษมากที่สุดในประชาชาติรองลงจากท่านนาบีเนี่ยบรรดาซอฮาบะคือคนที่เข้าใจหลักการมากที่สุด อันกุรานสฮาบะเข้าใจมากที่สุดฮะดีสสฮับะเข้าใจมากที่สุดเพราะสฮาบะได้ยินอันกุรานจากนาบีโดยตรงฮะดีสจากนาบีโดยตรงและก็ได้รับคําสอนเป็นลูกศิษย์ที่เรียนตรงจากท่านนาบีดังนั้นคนที่จะเข้าใจหลักการศาสนามากที่สุดในประชาชาตินี้ก็คือสฮาบะและหลังจากนั้นนะครับสฮาบะก็ถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ของสฮาบะที่เรียกว่าตาบีอินตาบีอินนะครับยุค200ปีนะครับ ยุคสามร้อยปีเนี่ยก็จะมีซอฮาบะตาบีอินแล้วก็ตาบีิตาบีินลูกศิษย์ของซอฮาบะเรียกว่าตาบีอินคนที่พบกับซอฮาบะนะครับอีมานศรัทธาเป็นอิสลามตายในสภาพของมุสลิมเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของซอฮาบะก็ได้รับถ่ายทอดความรู้จากซอฮาบะแล้วก็หลังจากนั้นก็ถ่ายทอดต่อเรียกว่าตาบีอตาบีอินนะครับตาบีอตาบีอินก็คือผู้ที่สืบทอดนะครับอันอิสลามมาจากรุ่นที่2ไปสู่รุ่นที่3 ลูกศิษย์ของลูกศิษย์ซอฮาบะสามร้300ปีแรกนี้จะเป็น300ปี3ยุคที่ท่านในบีรับรองว่าปลอดภัยในเรื่องอากิดะนะครับแล้วก็มีคุณธรรมมีความดีงามอันมากมายที่สุดนะครับดีเลิศที่สุดในประชาชาตินี้คือในยุค300ปีนี้และหลังจากนั้นก็เกิดฟิตรณะรุนแรงอย่างมากมายนะครับแต่ก็จะมีนะครับต่ออิฟะมันซูร กลุ่มชนกลุ่มหนึ่งที่อาร์ลอดจะแต่งตั้งพวกเขาขึ้นมาเพื่อพิทักรักษ า, าศาสนาและก็ยังมีหมูจัดดิศในทุกหนึ่งปีก็จะมีผู้คนที่มาฟื้นฟูาศาสนาที่มันเสื่อมโทรมก็จะมีคนฟื้นฟูกอบกู้นะครับอากีดาที่ถูกต้องหลักการที่ถูกต้องขึ้นมาจนถึงวันกิยามัตนะครับและคําว่าหมูจัดดิศหรือตอยฟ้ามันซูรอเนี่ยไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นเพียงแค่คนเดียวอาจจะเป็นกลุ่มชนนะครับและอาจจะอยู่กระจัดกระจายก็ได้ อาจจะมีในทั้งประเทศไทยไม่ใช่ในทั้งประเทศไทยว่าเราตลาลาอารามนะครับจะมีคนที่ฟื้นฟูศาสนาแนวทางแห่งชาวสลับโซเละนะครับที่ถูกต้องที่ถูกรับรองเอาไว้เนี่ยจนถึงมรรคยาณนะครับนี่แหละคือการรักษาศาสนาของเราสมหานาตาลาถึงแม้ว่าวันนี้ผู้คนมากมายจะนะครับเสื่อมโทรมในเรื่องของจริยธรรมคุณธรรมนะครับจีนาจะแพร่หลายบิดาอากักดิ์ที่เสื่อมโทรมชีริกต่างๆจะเข้ามา ก็จะมีผู้ที่ยืนหยัดออกมาปกป้องต่อสู้ว่าอันนี้เป็นชีริกนะครับตอ่อให้เป็นอย่างไรอันนี้เป็นบิดาสุนนะเป็นอย่างไรก็จะมีกลุ่มชนเหล่านี้นะครับเกิดขึ้นมาแล้วก็ความรู้ของคนเหล่านั้นก็จะถูกถ่ายทอดไปนะครับถ่ายทอดไปจากท่านนาบีจากอัลลอฮ์จากรอซูลจากสฮาบะจากซาลฟุตซาเลก็จะมีคนฟื้นฟูนะครับที่เรียกว่าเซลฟี่นะครับบุคคลที่ยึดมั่นในแนวทางนะครับคนในยุค300ปีแรกหรืออาลุซุนนะ อัลลูฮ์ฮัลิสนะครับก็มีหลายชื่อบออิฟ่ามอนโซรอนะครับเฟรกอแนจียะนะครับกลุ่มชนเหล่านี้ก็จะมาปกป้องหลักการของอัลลอฮ์สุบฮานุตาอัลาแล้วก็อัลลอฮ์สุนตาลาก็นะครับยกย่องท่านจิบรีนไว้ว่าละาเกอาลุรอซูลินการีมเป็นเทวาทูตนะครับที่มีเกียรติมากนั่นหมายถึงว่าจิบรีเนี่ยเป็นหัวหน้าของมล า, ายกมามลายกามีมากมายนะครับการที่เราจะศรัทธาต่อมล า, ายกาอย่างถูกต้องเนี่ย เราจะต้องศรัทธาว่ามาลาอีกานี้นะครับเป็นบ่าวที่ไม่เคยฝ่าฝืนอัลลอฮ์เป็นบ่าวที่ถูกสร้างจากรัศมีมีจำนวนมากมายมีหน้าที่การงานมีชื่อที่เรารู้จักและก็มีชื่อที่มีชื่ออีกมากมายที่เราไม่รู้จักแต่เราศรัทธาในภาพรวมทั้งหมดศรัทธาตามที่ชื่อที่อัลลอฮ์ได้บอกไว้้นกุรานและก็ฮะลิสนะครับของท่า น, นาบดบีแล้วก็เป็นสิ่งถูกสร้างที่เรายังไม่เห็นนะครับ แต่เป็นสิ่งทุกสร้างที่ประเสริฐมากและประเสริฐที่สุดของบรรดามาลาิก้าก็คือรอซูลินแกรีมรอซูนตรงนี้คือครอซูนาากกอันแมลากีนะครับอัลลอฮากำลังยกถึงเทวทูตที่เป็นจากมาลาอิก้าก็คือยิบริ้นที่มีเกียรติมากนะครับเป็นมาลาอิก้าที่มีเกียรติที่สุดแล้วก็ z ีกูวาตินอินเดซินอารชิมากินเป็นผู้ทรงพลังผู้ทรงตำแหน่งสูงนะครับ จีกูวะตินอินดานอิอัชชิมาคีนินเป็นผู้ทรงพลังจีกูวะผู้ทรงตําแหน่งสูงก็คือมากีนมาแกนะซูมาแ ก, านะากานะก็คือผู้ที่มีตําแหน่งสูงณนะพระเจ้าแห่งบัลลังก็คือณที่อัลลอฮ์สุบฮานุตาลาพระเจ้าแห่งบัลลังอัลลอฮ์ไม่ได้ใช้คําว่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ได้ใช้คําว่ารับแต่อัลลอฮ์ใช้คําว่าซินอัชชินะครับ เป็นณที่พระเจ้าเจ้าของแห่งบัลลังก์นั่นก็คือบัลลังก์นั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์สุบฮานุตาอาลาอัลลอฮ์สุบฮานทรงอยู่เหนือบัลลังก์ของอัลลอฮ์บัลลังก์เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นสิ่งถูกสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดใหญ่กว่ามลายกาทั้งหมดนะครับใหญ่ยิ่งใหญ่มากนะครับจนกระทั่งว่าต้องใช้มล า, ายกาถึง8ท่านในการที่จะแบกอารัชของอัลลอฮ์สุบฮานตาลาเป็นสิ่งถูกสร้างที่ใหญ่ที่สุดพูดกันง่ายๆนะครับ อัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเหนือสิ่งถูกสร้างที่ใหญ่ที่สุดนะครับและก็ได้ทรงตรัสถึงมาลายกะที่เยี่ยมที่สุดที่ดีที่สุดที่ประเสริฐที่สุดก็คือท่านจิบบะรินอัลลอฮิสซลามเป็นเทวทูตที่นำสารจากอัลลอฮ์บัวฮีจากอัลลอฮ์ริซาละนะครับสารแห่งการเป็นรสูลของบรรดารซูลทั้งหลายนาบีทั้งหลายนำอันกุรอานนำซา บ, บูตนำเตารอ้อนนำอินจินนำคำภีรทั้งหลายจากอัลลอฮฺสละมาให้กับนบีทุกยุคทุกสมัย นั่นก็คือเทวทูตท่านนี้ท่านเดียวคือญิบรินอะลิฮิสลามจึงถูกนับว่าเป็นมาลายกาที่ประเสริฐที่สุดผู้ที่ล่วงรู้นะครับมากที่สุดในบรรดามาลายกาทั้งหลายและนบีที่ประเสริฐที่สุดนะครับก็คือนบีมหมะลลองสลัมกุรอานคือคำพีที่ประเสริฐที่สุดศาสนาที่ดีที่สุดคืออันอิสลามนั่นก็คือนะครับเรานั้นอยู่ในศาสนาที่ดีที่สุดเรานั้นเป็นประชาชาติ ของนบีที่ดีที่สุดเรานั้นนะครับได้รับคำพีที่ประเสริฐที่สุดเราเป็นบ่าวของอัลลอฮ์สุลตาราผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดเราต้องยิ่งขอบคุณอัลลอฮ์สุลตาราให้มากนะครับที่อัลลอฮ์ได้คัดสันได้เลือกให้เรานั้นได้มาเป็นประชาชาติที่ประเสริฐที่สุดในประชาชาติทั้งหลายแต่วันนี้นะครับสิ่งต่างๆมีเยอะแยะมากมายที่มนุษย์หลงลืมเนี่ยมัดความโปรดปานของอัลลอฮ์สุลตารตามนุษย์หลงลืมนะครับ หลงลืมทั้งๆที่ว่ามีของดีที่สุดอยู่กับตัวมนุษย์หลงลืมว่าเรามีอิสลามมีความดีงามที่ยิ่งใหญ่มีอะกิดะที่ถูกต้องนะครับเราหลงลืมกับเนียมาต่างๆเรามักสแสวงหาสิ่งอื่นที่มันไม่มีค่าอะไรกับเราเลยสุดท้ายแล้วมันก็จากเราไปแต่สิ่งที่มีค่าที่สุดที่อยู่กับตัวเรานะครับถึงเวลานี้วินาทีนี้เนี่ยก็เขินอั้นอิสลามแต่เราหลงลืมที่จะขอบคุณอัลลอฮฺสุตลตาระในเรื่องของอิสลามในเรื่องของ ความเชื่อในเรื่องของการเป็นบ่าวในเรื่องของประชาชาติที่ดีที่สุดในเรื่องของคัมภีร์ที่ดีที่สุดนั่นก็คือคัมภีร์ของประชาชาตินี้นะครับผู้ที่ประเสริฐที่สุดจากมาลลกัดประธานนะครับได้รับประธานวาฮีมาจากอัลลอฮ์มาให้กับนบีที่ประเสริฐที่สุดมาให้กับประชาชาติที่ประเสริฐที่สุดนะครับนั่นก็คือท่านเจเบีนอัยเลฮิสซาลัมนะครับที่อัลลอฮฺสุตตะได้ทรงได้ทรงยกย่อง ท่านจิบรีนไว้ในอัลกุรอานมุต้าอินซัมม์อามีนนะครับมุต้าอินซัมม์อามีนนะครับเป็นจิบรีนเป็นผู้ที่ได้รับผู้ที่จงรักภักดีซื่อสัตยนะ์และที่อัลลอฮฺสุบฮานาตาลามากนะครับนี่คือส่วนลักษณะของมาเลย์กันและก็มันต้องส่งผลถึงอากีแดของเราด้วยมุสลิมเนี่ยถ้าศรัทธาต่อสิ่ง สิ่งที่อัลลอฮ์บัญชาใช้ทั้งหมดก็คือในเรื่องของรุกลอีหมานทั้งหลายเนี่ยมันจะต้องส่งผลถึงชีวิตของเราด้วยถ้าวันนี้เราศรัทธาต่อมาลายกาเราอ่านนั้นอันกุรานเราเราเคยได้ยินคําว่ามาลายกาไม่เคยฝ่าฝืนอัลลอฮ์มูตาอินซัมมาอามินจงรักพักดีต่ออัลลอฮ์สุบฮานุตาลามากนะครับเราก็ต้องเอาคุณลักษณะดีๆของมาลายกาเนี่ยมาปฏิบัติใช้ของเราเราจะเป็นบ่าวที่จงรักพักดีต่ออัลลอฮ์เราจะไม่เป็นบ่าวที่เนรคุณกับอัลลอฮ์ เราจะต้องนําสิ่งเหล่านี้อาคิดาหเหล่านี้มามาเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตการปฏิบัติของเราให้ได้ว่ามาลายกาเป็นผู้มีระบบระเบียบมาลายกาเป็นผู้ที่รักษาอมานะมาลายกาเป็นผู้ที่นะครับจงรักภักดีนบีมุฮัมมัดสุสสลต่านเวลาจะจัดแถวละหมาเนี่ยนบีจะบอกกับซาฮบะบอกว่าทําไมพวกท่านทั้งหลายไม่จัดแถวเหมือนกับที่มาลายกาได้จัดแถวในขณะที่พวกเขายือนอยู่ต่อนหน้าอัลลอฮ์ล่ ทำไมพวกเจ้าไม่มีระบบระเบียบไม่มีระเบียบเหมือนกับมาลาิกะมาลาิกะจัดแถวยืนอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์ยืนเป็นแถวแถวมีระเบียบมากนะครับเราจะเห็นได้ว่ามาลาิกะเนี่ยเป็นสิ่งถูกสร้างที่เราจะต้องรักถ้าอัลลอ์รักแล้วเราก็ต้องรักรักมาลาิกะนะครับแต่เราจะไม่ศรัทธาเกินเลยกับมาลาิกะว่ามาลาิกะเป็นลูกสาวของอัลลอ์มาลิกะเป็นเทพเทวดาที่ให้ความ ประเสริฐกับเราได้คุ้มครองเราได้เราจะไม่ศรัทาเกินเลยกว่าการเป็นบ่าวของมาละกะต่ออลอสุนห์ฮานตลานะครับและสิ่งที่ประเสริฐที่สุดเนี่ยนะครับที่ลอสุนห์ฮานต阿拉ได้ทรงประทานลงมานั่นก็คืออันอิสลามนะครับให้กับมาละกะที่ทรงเกียรติแล้วก็คนคนหนึ่งจะมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาแห่งนี้นะครับได้ด้วยกับการมีเกียรตินั่นก็คือการที่เขานั้นปฏิบัติตามสิ่งที่มีเกียรติที่สุดก็คืออันคุราน คนคนหนึ่งจะมีชีวิตที่ดีได้ไม่ใช่เพียงแค่เขามีความร่ำรวยนะครับเราจะเห็นได้เลยเชโกไซมินบอกว่าเราจะเห็นได้เลยถ้าเราพิจารณาของคนสองครอบครัวครอบครัวหนึ่งมีศาสนากับครอบครัวหนึ่งไ ม, ม่มีศาสนาหรือว่าออกห่างจากศาสนาของอัลลอ์เขาไม่มีความสุขที่แท้จริงในชีวิตแต่คนที่มีความสุขที่แท้จริงในชีวิตคือครอบครัวที่นะครับเขาอยู่ในหลักการของอัลลอ์หัวใจของเขาผูกพันอยู่กับอัลลอ์ เขาเชื่อมั่นในกอดอกอดัตของเราเข้าใจศาสนาของเราเป็นอย่างดีจะเกิดสภาวะอะไรก็ตามในชีวิตของเขาเขาจะมีแต่ความดีงามเขาจะพูดแต่เรื่องศาสนาเขาพูดแต่เรื่องความพอใจต่อลัทธิสุมาโนตตาลานะครับเพราะลัทธิสุมาโนตตาลาบอกว่าล้อบอกถึงคุณลักษณะของคนที่จะมีชีวิตที่ดีไว้เนี่ยว่ามันอามิลัสซอริฮันมินตะกริวอุนซาวะหัวมุมินุนฟารโนฮียันนหูฮัยาตันตย ي บะวลานทยันนัุมอัจเรหุมบิอัสนีมาแกนูยามลู นะครับอัลลอฮ์ทรงตัดว่าในสุร้อนนะฮลูข้อที่เก้าสิบเจ็ดใครก็ตามที่ทําคุณงามความดีไม่ว่าจะเป็นชายไม่ว่าจะเป็นหญิงนะครับในสภาพที่เขามีอีมานต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้เขามีชีวิตที่ดีและอัลลอฮ์จะตอบแทนการงานของเขาตอบแทนผลบุญเขายิ่งกว่าในสิ่งที่เขาได้ทําเอาไว้เสียอีกในโลกดุนยาแห่งนี้ดังนั้นใครที่อยากจะมีชีวิตที่ดีไม่ต้องไปดูอะไรมาก วันนี้หนึ่งดูว่าเรามีอามันซอเลหรือยังเรามี إ ي م านต่ออัลลอฮ์หรือยังถ้าเรามีแค่สองอย่างนี้นะครับอลัลลอฮ์ไม่ได้พูดถึงทรัพย์สินอลัลลอฮ์ไม่ได้พูดถึงเงินทองแต่เงินทองทรัพย์สิสนรรกระบาโรจะเป็นจะมาได้ด้วยกับสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นด้วยกับสิ่งเหล่านี้ถ้าเรามี إ ي م านต่ออัลลอฮ์เราศรัทธาต่ออัลลอฮ์มีการงานที่ดีเราจะได้รับริสกีคนที่ละหมาดจะได้เปิดประตูแห่งริสกีเห็นไหม ละหมาดก็จะเป็นประตูแห่งดิสกีคนที่ใจ่ยาย z a นะครับปฏิบัติตามคําสอนของอัลลอฮ์บัญชาใช้ของอัลลอฮ์สอดร้องก็จ่ยาย z a k a ก็ใจอัลลอฮ์ Allah บอกว่าใครก็ตามที่ขอบคุณอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะยิ่งให้เห็นไหมดุลยาจะมาหาคนที่มี إ ي م านคนมี إ ي م านจะไม่วิ่งหาดุลยาแต่ดุลยาจะมาหาคนที่มีอี إ ي م านไม่ต้องกลัวเลยถ้ามีอี إ ي ่านต่อละดุลยาจะมาหาเราเราไม่ต้องไปวิ่งตามดุลยยา แต่คนที่เขาไม่มี إ ي م านต่ออัลลอฮ์เขาต้องวิ them, ่งตามดุลยาแต่วิดุลยากับวิ่งหนีห่างออกจากเขาเขาไม่ได้ได้ทั้งดุลยาและเขาก็ไม่ได้ทั้งอาคิเรอต์แต่คนที่มี إ ي م านเนี่ยจะได้ทั้งอาคคเรอต์เป็นหลักแล้วดุลยาก็จะไม่ขาดจะไม่พลาดแต่คนที่ไม่มี إ ي م านไม่ศรัทธาไม่เชื่อมั่นในอัลลอฮ์นะครับวิ่งหาแต่ดุลยาสุดท้ายแล้วอาคิเรอต์ไม่ได้ดุลยาก็ไม่ได้ขาดทุนทั้งขาดทุนทั้งดุลยาและก็อาคิีระต์อัลลอฮฺอัลลอฮฺ วันอียาซูบินละขอให้เรารอดพ้นจากสิ่งดังกล่าวนะครับแล้วก็ต่อมานะครับท่านอบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะไลฮุสซาลัมก็บอกอีกนะครับว่าอัจจะบัลีอัมรินมุมินสร้างหน้าประทับใจเหลือเกินกับการงานของผู้ศรัทธาเนี่ยการงานของเขาเนี hey ่ยด yes, ีทั้งหมดเลยนะครับอะไรก็เป็นความดีหากับมาหาผู้ที่มีอิมานต่อรอดนะครับไม่ว่าเขาจะประสบกับอินอัลซอบัตฮุสระชากะรอ ว่าอินอัศวบัณฑรหะอบศวะฟาก้าอนขัยรัลละได้รับความดีก็ขอบคุณอัลลอฮ์ได้รับผลบุญอีกได้รับบททดสอบก็อดทนเขาก็ได้รับความดีงามจากการอดทนนี่คือการงานของผู้ศรัทธามีแต่ดีกับดีทั้งอาคเราะและก็ดุญยานะครับถ้าหากว่าเรามีอีหมานเท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันจะกลายเป็นความดีงามกลับมาหาตัวของผู้ศรัทธาทั้งหมด ดุนยาก็ได้อาคิเรัะก็ได้วันนี้คำว่าดุนยาเนี่ยนะครับพี่น้องอยากจะให้พี่น้องเข้าใจดุนยาไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทองอันมากมายแต่วันนี้การที่เรามีชีวิตอยู่บนโลกดุนยาดุนยาคือบาระกะครับเรากำลังแสวงหาบาระกะจากดุนยาเราไม่ได้แสวงหาความมากมายจากดุนยาเพราะความมากมายที่ไม่มีบาระกะต่อให้มันมีมากมายแค่ไหนมันก็ไม่ยังประโยชน์ แต่คำ ว, ว่าบาระกะความจำเรือนเนี่ยมันจะมาจากฐานของการที่เราทําสิ่งนั้นถูกต้องตามหลักการของอัลลอฮฺอัลลอฮฺจะตอบแทนมันด้วยกับสิ่งที่มีบาระกะเงินทองก็เป็นเรื่องดุลยาแต่ไม่ใช่ทุกเงินทองจะมีบาระกะความรู้ก็เป็นเรื่องของดุลยานะครับแต่ไม่ใช่ทุกความรู้จะมีบาระกะนะครับลูกหลานก็เป็นเรื่องของดุลยาเป็นเนียมมาเที่ยลร้อนให้แต่ไม่ใช่ลูกหลานทุกคนจะมีบาระกะดังนั้น ทำอย่างไรให้ชีวิตของเรามีบรารักกะก็คือให้เราอยู่ในศาสนาของเรามากที่สุดเราจะได้รับบรารักกะและความจำเริญตรงนี้แหละนะครับมันจะทําให้เราได้รับความสันติความสุขความดีงามอันมากมายในชีวิตโลกดุนยาใบนี้ด้วยกับการที่เรายืนหยัดและปฏิบัติตามศาสนาของลอสซุมฮาตาลาทุกกระเบียดนิ้วในทุกเรื่องราวอาหารการกินจะเข้าปากแต่ละคําฮาลาันไหมนะครับบิสมิลลาหรือยังวิ เงินจะเข้ามาเงินจะออกไปฮาล้านไหมชีวิตของเราผ่านไป2ี่สชั่วโมงที่อัลลอฮ์ให้กลางวันกลางคืนเนี่ยเราได้ทําให้มันเข้าใกล้ชิดอัลลอฮ์ไหมนะครับเราได้ทําให้ชีวิตของเรามีบราระกะไหมเราเลือกได้เราเลือกที่จะให้ชีวิตของเรามีบราระกะก็ได้ไม่มีบราระกะก็ได้ชีวิตของเราให้ บ, รบราระกะมันหายไปจากชีวิตของเราเราก็เป็นคนเลือกเอง เราจะเลือกให้ชีวิตของเราให้บรารัก้ามันมาหาเรามาจากอัลลอฮ์สุฮาห์ตะลาก็เป็นการเลือกวิถีชีวิตของเราเองทุกอย่างทุกสิ่งมาจากเราเลือกและอัลลอฮ์เป็นผู้ประทานดังนั้นนะครับวันนี้ถ้าเราอยากจะเป็นผู้ที่ได้ทั้งดุลย์าและอาเครอไม่ต้องคิดอะไรมากให้เป็นบ่าวที่ดีอิมานต่ออัลลอฮ์และก็มีอามันซอและอยู่ตลอดเวลานะครับปฏิบัติตามสุนนะของท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัมพินิจพิจารณาใครควรอันกุรหันให้มากๆ อินชอเลชีวิตของเราก็จะมีแต่ความผาสุกนะครับนาทีอัลลอฮสุภาอัลมตะอาลาแล้วก็หลังจากนั้นนะครับอีกอายะสุดท้ายนะครับที่เราจะพูดคุยกันวามาซอฮิบุกุมบ oh ีมัจญ um ูนหลังจากที่นบีนำสิ่งต่างๆเหล่านี้มาสอนนะครับในเรื่องของนะครับวันอาคิรอ oh สิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นชั้นฟ้าผืนแผ่นดิน นะครับเรื่องราวสิ่งเล้นลับต่างๆมากมายที่นํามาสอนให้กับบรรดาพวกกูฟาตมุชริกีเนะี่ยพวกคนเหล่านี้ก็ปฏิเสธศรัทธาหัวเลาะเยอะเ ย, ะเยะ้ยขาขันท่านนาบีว่าเป็นคนบ้าบ้างนะครับนบีมันมูฮัมมัดมันบ้าไปแล้วแหละแต่ไม่มีใครพูดนบีโกหกนะ mm. เพราะเขารู้ว่านาบีเป็นอัลอามีนนะครับนบีพูดจริงเขาก็จะบอกนบีว่าแต่งกอนขึ้นมาบ้างนาบีนั้นเป็นคนบ้าไปแล้วบ้างเสียสติไปแล้วบ้าง นะครับอัลลอฮ์สุตลตาระก็มายืนยันว่าว่ามาซ้อให้บุกุมบีมัจญูนนะครับอัลลอฮ์สุตลตาระตรัสว่าและเพื่อนของพวกเจ้าทั้งหลายไม่ใช่คนบ้านะครับอัลลอฮ์ยืนยันนะเพื่อนของพวกเจ้าไม่ใช่คนบ้าแล้วในอายะกราเนี่ยนนะลึกซึ้งมากอาหรับได้ยินแล้วเนี่ยนะครับกําลังพูดถึงว่าญาติของเจ้าเพื่อนของเจ้าคนที่อยู่กับเจ้ามาหลายสิปีที่เจ้าเห็นเขามาที่พวกที่เจ้าบอกว่าเขาเป็นอันอามีนเนะี่ยเขาไม่ได้บ้านะ สิ่งที่เขาพูดมาทุกอย่างเป็นความจริงสิ่งที่เขาพูดมาทั้งหมดนั้นมาจากอัลลอฮ์ซุลฮานุตาลาเพื่อนของพวกเจ้านะครับใช้พาดพิงไปยังพวกเขากลุ่มชนของพวกเขาเด็กน้อยที่พวกเขาเห็นมาตั้งแต่เด็กที่พวกเขาบอกว่าเป็นอันอาเม้นะครับมาจากกลุ่มชนของพวกเจ้ามาจากสายเลือดของพวกเจ้ามาจากญาติของพวกเจ้าทาญาติของพวกเจ้าลูกหลานของพวกเจ้าเองซอฮิบุกุมนะครับไม่ใช่คนอื่นเลยไม่ใช่คนมาจากที่อื่น แต่พวกเจ้าเห็นมาตั้งแต่อ้อนแต่ออด แ, แต่เล็กจนโตเนี่ยพวกเจ้าเรียกเขาว่าอันอามีนมาวันนี้วามาซอฮิบกุมบิมัจญูนไลซาบิมัจญูนเขาไม่ใช่คนบ้าเขาไม่ใช่คนเสียสติสติเขายัางดีเขาเป็นคนที่มีความฉลาดหลักแหลมนบี ม, มุฮัมมัดอ่านไม่ออกเขียนไม่เป็นก็จริงแต่ทุกคนยอมรับในความฉลาดหลักแหลมของท่านนาบีเป็นคนที่สุขุมลุ่มลึกนะครับเป็นคนที่มีวาทะสวยงามเป็นคนที่นะครับ วิธีคิดที่ดีงามสวยงามในกลุ่มชนของเขายอมรับในทุกเรื่องราวในการเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นผู้นำเป็นคนที่มีวิธีคิดที่ดีคนที่ฉลาดปราดเปื่องทุกคนยอมรับหมดเลยนะครับแต่พอนบีเอาอันอิสลามมาประกาศเท่านั้นต่างนะครับใส่ร้ายป้ายสีนนบีต่างๆนาๆนาดูถูกเยียดหยามท่านนาบีอัลลอ์ซุมานตะลาด้วยกับความรักด้วยกับการนะครับปกป้องท่านนาบีเนะี่ย ประธานมวอดีซัดมาให้กับนบีไม่พอยังปกป้องด้วยกับถ้อยคำดํารัดนะครับจากอัลลอฮ์สุตละว่าวามาซอให้บุกุมบีมัจญูนนบีไม่ใช่คนที่เสียสติแล้วในอายะอื่นก็บอกก็บอกอีกนะครับว่าวาลาบีเกลิกาเฮนและคำพูดนี้ก็ไม่ใช่มาจากกาเฮนไม่ใช่คำพูดของหมอผีหมอดูนะครับพวกหมอเดาทั้งหลายแต่เป็นคาพูดของ รอซูลผู้ยิ่งใหญ่เป็นมีอยายะคุรันบอกทั้งรอซูลที่มาจากมาไลกะและก็รอซูลที่มาจากนบีอยายะคุรันยืนยันทั้งหมดนะครับว่ามาจากคําพูดของนบีที่เป็นรอซูลและก็รอซูลที่เป็นมาไลกะแต่คําพูดนี้ไม่ใช่คําพูดของมาไลกะเองและก็ไม่ใช่คําพูดของนบีเองแต่ทั้งสองเป็นผู้ถ่ายทอดคําพูดมาจากอัลลอฮฺซุลฮานุตาลาดังนั้นนะครับ อายาต่างๆเนี่ยนะครับมันสนับสนุนซึ่งกันและ ก, กันอายาต่างๆได้ข้อคิดอายาต่างๆได้รู้ถึงประวัติศาสตร์อายาต่างๆได้อากีดะได้อหมานเพิ่มพูนการที่เราอ่านอัลกุรอานเราควรจะเรียนตัฟซีดควบคู่ไปด้วยเราควรจะพินิษพิจารณานะครับนอกจากอ่านได้ผลบุญแล้วการพินิษพิจารณาก็ได้อิบะดาได้ผลบุญเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นวันนี้การที่เราอยู่ในโลกดุนยาเราจะต้องพินิษพิจารณาถึงสิ่งถูกสร้าง แม้แต่มนุษย์เนะี่ยด้วยกันเองก็ต้องพิจารณาแม้แต่ตัวของเราเองก็ต้องพิจารณาถึงสิ่งถูกสร้างในร่างกายของเราว่ามันทำไมถึงพิเศษทำไมถึงวิเศษขนาดนี้นะครับหมอไม่สามารถที่จะสร้างร่างกายของมนุษย์ได้ไม่สามารถสร้างตับไตไส้พุงได้การทำมันของมันเป็นระบบระเบียบใครเป็นผู้ที่ทำให้มันเกิดกระบบระเบียบที่งดงามที่ได้เพอร์เฟขนาดนี้ที่สมบูรณ์แบบขนาดนี้ถ้าไม่ใช่เอาลอสมาอตลา ดนั้นนะครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายวันนี้เราก็เรียนกันมาจนถึงนะครับอายะนี้แล้วต่อไปอินช่าลอเราก็จะเรียนอายะที่16จนถึงอายะที่29ในครั้งต่อไปอินช่าลอนะครับวันนี้ก็หวังว่าเราจะได้รับนะครับประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับซึ่งการพิจารณาอันกุรา น, นั้นเป็นหน้าที่ของผู้ศรัทธานะครับการอ่านอันกุรานก็เช่นเดียวกันเราได้ผลบุญของการอ่านและก็พิจารณาไข้ควรนะครับ นี่คือบัญชาใช้จากอัลลอฮ์สุลฮานอัลตาลาให้เราผูกพันอยู่กับอัลกุรอานนะครับอา่านกุรอานด้วยแล้วก็พินิจพิจารณากุรอานด้วยแล้วก็เรียนรู้ถึงฮะดีสุงท่านนาบีนะครับกุรอานแล้วก็หะดีสแล้วก็บนความเข้าใจของบรรดาสฮฮะบะนะครับนี่คือบรรทัดฐานของอิสลามที่อัลลอฮ์สุลฮานได้สร้างนะครับมนุษย์ขึ้นมาเพื่อที่จะให้เราอยู่บนโลกใบดุนยาแห่งนี้แล้วก็ยืนอยู่บนความถูกต้อง เอาล่ะจึงส่งอัลกุรอานลงมาแล้วก็ให้นบีมาอธิบายนะครับดังนั้นเนี่ยหน้าที่ของเราจะต้องศึกษาเรียนรู้แล้วก็หมั่นทบทวนตัวเองอะไรก็ตามที่ผิดพลาดก็ต้องกลับเนื้อกับตัวเตาบัตนะครับสํานึกผิดแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ตราบใดก็ตามที่เรายังมีลมหายใจชีวิตของเรายังไม่ถึงนะครับวิญญาณยังไม่ถึงลูกกระเดือกวันเครยรมัดยังไม่เกิดขึ้นเราก็ยังอยู่ในสถานภาพที่กลับเนื้อกับตัวได้อยู่เสมอ เบาย่อมมีความผิดนะครับแต่บุคคลที่ผิดแล้วอลัลลอฮ์รักที่สุดก็คือเบาวที่กับเนื้อกับตัวนะครับวันนี้ก็นะครับดีละจบอายะที่เราได้บอกเอาไว้ว่าจะมาเรียนกันนะครับถึงก็จบลงเพียงเท่านี้ใ น, ในอินช่าลอในโอกาสต่อไปนะครับเราจะมาเรียนรู้กันในสุราะนี้และก็สุราะต่อไปจนจบกุนนัสนะครับอินช่าลอจากหนังสือตำราอ่าตัปซีของท่านเชคอุไซมนิน วันนี้ก็ขอทักทายพี่น้องนะครับคุณสุภานักัล้วยใช่ไหมครับแล้วก็คุณนูรุนฮูดาอับดุลลอห์สัลมวะลกุมวะลกุมุสลามตุสสลลอ์ hm นะครับแล้วก็นีนดาดานะครับของสวนสัลมวะลิลกุมวะลกุมุสลามตุลล hm อ์คุณเลกเกอร์นะครับัลมะลกุมวะลกุมุสลามแล้วก็คุณจำนงบุญเสริม S a s s a l uh uh so, uh no, a, a m u il a l a ข้าอาจารย์วะลัยุมุสลามุราหมตุลลอฮ์นะครับแล้วก็คุณอบุติบนะครับเชคอับดุลมันนานนะครับอัลฮัมดุลิลนะครับก็ขอบคุณอัลลอฮ์สุลตัลาในทุกสภาพการส่วนวันนี้นะครับก็ขอจากลาพี่น้องแต่เพียงเท่านี้นะครับซลลอฮ์มาลาเซียดีนวะนบีนมุฮัมมัดอลซฮฮิมนซุานลลอฮมะบนิกาชดวะลาอีลาอิลลัลลอฮ์อัตอัตตอัลอัล์